พระสุตตันตปิฎกคุตตะกานิกายกุตะกปาฐเล่มหนึ่งภาคหนึ่งรัตนสูตรว่าด้วยรัตนอันปรานีพระผู้มีพระภาคเจ้ารตรัพรัตนสูตรเป็นคถาซึ่งแปลเป็นไทยว่าดังนี้หมูพูดเหล่าใดอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาคพื้นอากาศ มาประชุมกันแล้วในที่นี้ขอหมู่พูดทั้งหมดจงมีใจดีและจงฟังสุภาษิตโดยเคารพเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงแผ่เมตตาในหมู่ประชาที่เป็นมนุษย์มนุษย์เหล่าใดย่อมนำผลีกรรมไปทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทช่วยรักษามนุษย์เหล่านั้น ทรบเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทราบเครื่องปลื้มใจและรัตนนั้นที่เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลยแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีพระสกยาโมนีพระอรุทัยตั้งมั่น ทรงบรรลุธรรมใดเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมประนีตสิ่งไร้ยๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระธรรมด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมะอันสะอาด พระทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยคำสัตน์นี้ขอความสวัสดีจงมีบุคคลเหลา่าใดแปดจำพวกสี่คู่คือตั้งแต่โสดาบันจนถึงพระอระหันต์อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้ว บุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุตคตควรแก่ทักษิณาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีบในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีพระอริยบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระพุทธโคดมประกอบดีแล้วมีใจมั่นคง ราศจากความอาลัยพระอริยบุคคลเหล่านั้นถึงพระอรหันต์ที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พระนิพพานได้ความดักกิเลสเปล่าสวยผลอยู่แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีพระโสดาบันจำพวกใดทำให้แจ้งอริยสัจ ที่พระสัสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันจำพวกนั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าท่านก็ไม่ถือเอาภพที่แปดจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาจึงไม่มีชาติที่แปดแม้อันนี้เป็นรัตนะอันปรานีในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีสกิยาทิกฐิ วิจิกิิยาและศิลปะปรามาทยังได้อย่างหนึ่งมีอยู่สังโยธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมกับทัศนสัมปทาคือโสดาปฏิมักที่เดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่อาจที่จะทำอภิธานะหกคืออนันตริยกกรรมห้ากับการเข้ารีด คือการเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นไม่อาจที่จะทำอภิฐานะหกแน่อันนี้เป็นรัตนอันปราณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีถึงแม้ว่าพระโสดาบาันนั้นยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจไปบ้างเพราะความประมาทท่านไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสความที่พระโสดาบันผู้เห็นบทคือพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นไว้แล้วแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีดในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีพุ่มไม้งามในปา่ายอดมีดอกบานสะพรั่งในต้นเดือนคิมหะแห่งฤ ด, ดูคิมหันชันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐอันที่ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาฉันนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประธานธรรมอันประเสริฐ ทรงนำมาซึ่งธรรมะอันประเสริฐเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีกรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้วกรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตอันนายแล้วในภพต่อไป พระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นไปแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ฉะนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีเท้าสักกะเทวราชประดเสริมเป็นคถ า, าว่าดังนี้ หมู่พูดเหล่าใดอยู่บนภาค พ, พื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาค พ, พื้นอากาศมาประชุมกันในที่นี้พวกเรานอบน้อมพระตถาคตพุทธะผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีหมู่พูดเหล่าใดอยู่บนภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาคพื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้ <vielen. S 1> พวกเรานอบน้อมตถาคตธรรม อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีหมู่พูดเหล่าใดอยู่ภาค พ, พื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาค พ, พื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้พวกเรานอบน้อมตถาคตสง์อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีจบคถารัตนสูตร สำหรับการที่เชื่อกันว่าสวดคาถานี้แล้วจะมีอนิสงส์ต่างๆนั้นอยากให้พิจารณาคำแปลให้ดีนะครับว่าการสวดทุกครั้งนั้นต้องเข้าใจแปลได้และน้อมจิตพิจารณาตามบทสวดเท่านั้นถึงจะมีอนิสงส์ได้จริงนะครับพันน า, นารัตนสูตรประโยชน์แห่งบทตั้ง บัดนี้ถึงลำดับการพันานาความแห่งรัตนสูตรที่ยกขึ้นตั้งในลำดับต่อจากมงคลละสูตรนั้นโดยนัยะเป็นต้นว่ายาณิทะภูตานิข้าพเจ้าจะกล่าวประโยชน์แห่งการตั้งรัตนสูตรนั้นไว้ในที่นี้ต่อจากนั้นเมื่อแสดงการอย่างลงสู่ความแห่งสูตรนี้ทางนิทานวัจนะอันบริสุทธิ์ดีเหมือนการลงสู่น้าในแม่น้ำและหนองเป็นต้น ทานท่าน้ำที่หมดจดดีประกาศในยานี้ว่าสูตรนี้ผู้ใดกล่าวกล่าวเมื่อใดกล่าวที่ไหนกล่าวเพราะเหตุใดแล้จึงทำการพันานาความแห่งรัตนสูตรนี้ในสองสูตรนั้นเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการรักษาตัวเองและการกำจัดอาสวะทั้งหลายที่มีการทำไม่ดี และการไม่ทำดีเป็นปัจจัยด้วยมงคลละสูตรส่วนสูตรนี้ให้สำเร็จการรักษาผู้อื่นและการกำจัดอาสวะทั้งหลายที่มีอมนุษย์เป็นต้นเป็นปัจจัยฉะนั้นสูตรนี้จึงเป็นอันตั้งไว้ในลำดับต่อจากมงคลละสูตรนั่นแหลประโยชน์แห่งการตั้งรัตนสูตรนั้นไว้ในที่นี้เท่านี้ก่อน เรื่องกรุงเวสาลีบัดนี้ในข้อว่าเยนอวุตตังยัตถายติถะยัสมาเจตังนี้ผู้ทักท้วงกล่าวว่าก็สูตรนี้ผู้ใดกล่าวกล่าวเมื่อใดกล่าวที่ใดและกล่าวเพราะเหตุใดขอชี้แจงดังนี้ความจริงสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวตรัส พระสาวกเป็นต้นหากล่าวไม่ตรัสเมื่อใดตรัสเมื่อกรุงเวสาลีถูกอุปัทวะทั้งหลายมีทุพพิฆภัยเป็นต้นเข้าขัดขวางพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพวกเจ้าลิชวีทูลร้องขอนำเสเด็จมาแต่กรุงราชครึกเมื่อนั้นปัตนะสูตรนั้นพระองค์ก็ตรัสเพื่อบำบัดอุปัทวะเหล่านั้นในกรุงเวสาลี การวิสัรนาปัญหาเหล่านั้นโดยสังเขปมีเท่านี้ส่วนพิสดารพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายพนานาไว้นับแต่เรื่องเรื่องกลุ่มเวสาลีเป็นต้นไปดังได้สดับมาพระอัครมเหสีของพระเจ้ากลุ่มพาราณสีทรงพระคันพระนางทรงทราบแล้วก็ได้กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ พระราชาก็พระราชทานเครื่องบริหารพระคันพระนางได้รับบริหารพระคันมาเป็นอย่างดีก็เสด็จเข้าสู่เรือนประสูตรในเวลาพระคันแก่เหล่าท่านผู้มีบุญยอมออกจากคันในเวลาใกล้รุ่งก็ในบรรดาท่านผู้มีบุญเหล่านั้นพระอัครมเหสีพระองค์นั้นก็เป็นผู้มีบุญพระองค์หนึ่งด้วยเหตุนั้นเวลาใกล้รุ่ง พระนางก็ประสูตดชิ้นเนื้อเสมือนดอกชบามีพื้นกลีบสีแดงดังครั้งต่อจากนั้นพระเทวีพระองค์อื่นๆก็ประสูตดพระโอรสเหมือนรูปทองพระอัครมเหสีประสูดชิ้นเนื้อดังนั้นพระนางทรงนํารีว่าเสียงติเตียนจะพึงเกิดแกเราต่อเบื้องพระพักของพระราชาปราะทร์กลัวการติเตียนนั้น จึงทรงสั่งให้ใส่ชิ้นเนื้อนั้นลงในภาชนะใบหนึ่งเอาภาชนะอีกใบหนึ่งครอบปิดไว้ประทับตราพระราชลัญจกรแล้วให้ลอยไปตามกระแสแม่น้ำคงคาพอเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทิ้งลงไปแล้วเทวดาทั้งหลายก็จัดการเอารักขาทั้งเอายางมหาหญิงจารึแผ่นทองผูกติดไว้ที่ภาชนะนั้นว่าพระราชโอรสธิดาของพระอัครมเหสี แห่งพระเจ้ากรุงพาราณสีต่อ น, นั้นภาชนะนั้นมิได้ถูกภัยคือคลื่นรบกวนก็ลอยไปตามกระแสแม่น้ําคงคาสมัยนั้นดาบทรูปหนึ่งอาศัยครอบครัวของคนเลี้ยงโคอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ําคงคาชาวตรูดาบทรูปนั้นก็ลงสู่แม่น้ําคงคาและเห็นภาชนะนั้นลอยมาก็ถือเอาด้วยบางสุกุ ล, ลสัญญา โดยเข้าใจว่าเป็นของที่เขาทิ้งแล้วต่อ น, นั้นก็แลเห็นแผ่นจารึกอักษรและตราพระราชลัญจกรก็แกะออกเห็นชิ้นเนื้อนั้นครั้นเห็นแล้วดาบทรูปนั้นก็คิดว่าเห็นที่จะเป็นสัตว์เกิดในคันดังนั้นจึงไม่เน่าเหม็นก็นำชิ้นเนื้อนั้นไปยักอาสมวางไว้ในที่สะอาดล่วงไปครึ่งเดือน ชิ้นเนื้อก็แยกเป็นสองชิ้นดาบทเห็นแล้วก็วางไว้อย่างดีต่อจากนั้นล่วงไปอีกครึ่งเดือนชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นก็เกิดปมชิ้นละห้าสาขาเพื่อเป็นมือเท้าและศรีรษะดาบทก็บรรจงวางไว้เป็นอย่างดีอีกต่อ น, นั้นอีกครึ่งเดือนชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งก็เป็นทารกเสมือนรูปทองอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นทาริกา ดาบทเกิดความรักดังบุตรในทารกทั้งสองนั้นน้ำนมก็บังเกิดจากหัวนิ้วแม่มือของดาบทนั้นตั้งแต่นั้นมาดาบทได้น้ำนมและอาหารมาก็บริโภคอาหารหย่อนน้ำนมในปากของทารกทั้งสองสิ่งใดๆเข้าไปในท้องของทารกนั้นสิ่งนั้นๆทั้งหมดก็จะแหล่เห็นเหมือนเข้าไปในภาชนะทำด้วยแก้วมณีทารกทั้งสองไม่มีผิวอย่างนี้ อาจารย์พวกอื่นกล่าวว่าผิวของทารกทั้งสองนั้นใสถึงกันละกันเหมือนถูกร้อยได้วางไว้ทารกเหล่านั้นจึงปรากฏชื่อว่าลิชวีเพราะไม่มีผิวหรือเพราะมีผิวใสด้วยประการชนิดดาบทเลี้ยงทารกพอตะวันขึ้นก็เข้าบ้านสแสวงหาอาหารตอนสายๆก็กลับ คนเลี้ยงโคทั้งหลายรู้ถึงการขวนขวายนั้นของดาบทนั้นก็กล่าวว่าท่านเจ้า่ะการเลี้ยงทารกเป็นกังวลห่วงใยของเรานักบวชขอท่านโปรดให้ทารกแก่พวกเราเถอดพวกเราจะช่วยกันเลี้ยงขอท่านโปรดทํากิจกรรมของท่านเถิดดาบทก็ยอมรับวันรุ่งขึ้นพวกคนเลี้ยงโคก็ช่วยกันทําหนทางให้เรียกแล้วโรยทรายยกธง บีดนตรีบรเลงพากันมาอย่างอาสมดาบดกล่าวว่าทารกทั้งสองมีบุญมากพวกท่านจงช่วยกันเลี้ยงให้เจริญไว้ด้วยความไม่ประมาทครั้นให้เจริญไวแล้วจงจัดการอวาหะวิวาหะกันละกันให้พระราชาทรงยินดีด้วยปัญจักโครถจงเลือกหาภูมิประเทศช่วยกันสร้างพระนครขึ้นจงอภิเษกพระกูมา น, นะที่นั้น เมื่อกล่าวดังนั้นแล้วจึงมอบทารกให้ผู้คนเลี้ยงโครัรบคําแล้วก็นำทารกไปเลี้ยงดูทารกทั้งสองเจริญเติบโตก็เล่นการเล่นใช้มือบ้างเท้าบ้างทุกถีพวกเด็กลูกของคนเลี้ยงโคอื่นๆในที่ทะเลาะกันเด็กลูกคนเลี้ยงโคเหล่านั้นก็ร้องไห้ถูกมันดาบิดาถามว่าร้องไห้ทาไม ก็บอกว่าเจ้าเด็กไม่มีพ่อแม่ที่ดาบทเลี้ยงเหล่านี้ขมเหงเราแต่นั้นมาดาบิดาของเด็กเหล่านั้นก็กล่าวว่าทารกสองคนนี้ชอบข่มเหงให้เด็ ก, กอื่นๆเดือดร้อนจะไม่สงเคราะมันละเว้นมันซะเขาว่าตั้งแต่นั้นมาประเทศที่นั้นซึ่งถูกเรียกว่าวัดชีขนาดสามร้อยโยชนครั้งนั้น พวกคนเลี้ยงโคทําพระราชาให้ยินดีแล้วเลือกเอาประเทศที่นั้นสร้างพระนครลงในประเทศนั้นแล้วอภิเศษพระกุมารซึ่งพระชนได้ 16, สิบหกพรษาตั้งเป็นพระราชาได้ทําการวิวาหะมงคลกับทาริกาของพระองค์ได้วางกติกากฎเกณฑ์ไว้ว่าจะไม่นําทาริกามาจากภายนอก และไม่ให้ทาริกาจากที่นี้แก่ใครๆโดยการอยู่ร่วมกันครั้งแรกของพระกุมารกุมารีนั้นก็เกิดทารกคู่หนึ่งเป็นทิดาหนึ่งโอรสหนึ่งโดยอาการอย่างนี้ก็เกิดเป็นคู่ๆถึงสิบหกครั้งแต่นั้นเมื่อทารกเหล่านั้นจเจริญวัยโดยลาดับนคะรนั้นก็ไม่พอที่จะบรรจุอารามอุทยาน สถานที่อยู่บริวารและสมบัติจึงล้อมรอบด้วยประการสามชั้นระหว่างขาวุธหนึ่งหนึ่งเพราะนาคร น, นั้นถูกขยายกว้างออกบ่อยๆจึงเกิดนามว่าเวสาลีนี้แหละนี้คือเรื่องกลุ่มเวสาลีหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งหลาย ที่คนปัจจุบันอาจจะไม่อยากเชื่อนะครับก็ขอให้เผื่อใจไว้ไม่ต้องรีบเชื่อแต่ก็อย่าด่วนปฏิเสธควรศึกษาฟังอ่านให้ครบทุกพระสูตรแล้วประมวลเอาแต่สาระสําคัญมาใช้ก็ได้นะครับปราบใดที่เรายังไม่ได้สมาธิถึงขั้นมีอภิญญาเราก็ไม่สามารถรู้ได้จริงหรอกครับว่าสิ่งที่เล่ามา น, นั้นเป็นจริงหรือไม่จริง บางครั้งอย่ารีบเอาสามัญสำนึกหรือความสามารถของเราในตอนนี้ที่ด้อยกว่าพระอรหันต์มากมาตัดสินเรื่องต่างๆที่ได้ยินได้ฟังว่านั้นจริงนี่ไม่จริงคนหลายคนก็เหมือนคนตาบอดนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนบางพวกเหมือนคนตาบอดที่ไม่ยอมเชื่อว่าสีขาวสีเขียวมีจริงเพราะว่าเขาไม่เห็น คนตาดีคนไหนที่เห็นแล้วบอกว่ามีสีเขียวสีขาวเขาก็ไม่เชื่อจะเชื่อแต่ว่าทั้งหมดเป็นสีดำเพราะชีวิตทั้งชีวิตอยู่แต่ในความมืดหลายคนก็เหมือนกันนะครับชีวิตทั้งชีวิตสติปัญญาสามันสำนึกก็มีอยู่แค่นั้นก็ขนาดนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเป็นอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ในประเทศไทยในมหาวิทยาลัยดังนะครับก็ยังกล้าพูดว่า ผีไม่มีจริงเพราะถ้ามีจริงเขาต้องเห็นนี่ก็คือตัวอย่างของคนตาบอดทางธรรมนะครับไม่เคยฝึกไม่เคยศึกษาไม่ปฏิบัติให้ถึงจุดแล้วรีบบอกว่าไม่มีไม่มีเพราะฉันไม่เห็นตามหลักแล้วคนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับอะไรที่ตัวเองพิสูจน์ไม่ได้เขาต้องบอกว่ายังพิสูจน์ไม่ได้แต่จะไม่บอกว่าสิ่งนั้นมีหรือไม่มี ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับการ น, นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็กรุงเวสาลีนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอุบัติก็มั่นคงภัยบู์ด้วยว่าในกรุงเวสาลีนั้นมีเจ้าอยู่ถึงเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดพระองค์ พระยุพราชเสนาบดีและพันธาคาริกเป็นต้นก็เหมือนกันเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมัยนั้นแลกรุงเวสาลีมั่นคงเจริญมีคนมากมีคนเกลื่อนกลนมีอาหารหาได้ง่ายมีพระสาท7เจ็ันเจ็ดร้อยเจ็ดหลังมีเรือนยอดมีอารามมีสระบกรณีอย่างละเจ็7ันเจด้อยเจ็ด สมัยต่อมากรุงเวสาลีได้เกิดทุกพิกาภัยฝนแล้งเข้ากล้าตายหนึ่งคนยากคนจนตายก่อนเขาทิ้งคนเหล่านั้นไปนอกนครพวกอมนุษย์ได้กลิ่นคนตายก็พากันเข้าพระนครแต่นั้นผู้คนก็ตายเพิ่มมากขึ้นเพราะความปฏิกูล น, นั้นอหิวาตากโรคก็เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายชาวกรุงเวสาลีถุกภัยสามอย่างคือทุกพิกาภัย อมนุษยภัยและโรคภัยเบียดเบียนก็เข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะเกิดภัยสามอย่างในพระนครนิลวพระเจ้าข้าแต่ก่อนนี้นับได้เจ็ดชั่วราชาสกุลไม่เคยเกิดภัยเช่นนี้เลยเฉลอรยพระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้ภัยนั้นจึงเกิดขึ้นพระพราชาทรงประชุมเจ้าลิชวีทุกพระองค์ในที่ว่าราชการ ตรัสว่าขอได้โปรดพิจารณาทบทวนข้อที่เราไม่ตั้งอยู่ในธรรมเถิดเจ้าลิชวีเหล่านั้นพิจารณาทบทวนถึงประเพณีทุกอย่างก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องไรๆแต่นั้นก็ไม่เห็นโทษขององค์พระราชาจึงพากันคิดว่าภัยนี้ของเราจะระงับไปได้อย่างไรในที่ประชุมนั้นเจ้าลิชวีบางพวก อ้างถึงศัสดาทั้งหกว่าพอศัสดาหเหล่านี้ย่างเท้าลงเท่านั้นภัยก็จะระงับไปบางพวกตรัสว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่พวงสัตว์ทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพอพระองค์ย่างพระบาทลงเท่านั้นภัยทุกอย่างก็จะระงับไป ด้วยเหตุนั้นเจ้าลิจวีเหล่านั้นจึงดีพระไทยตรัสว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัตรนี้ประทับอยู่ที่ไหนเล่าพวกเราส่งคนไปเชิญจะไม่เสด็จมานี่ยสิเจ้าลิจวีอีกพวกหนึ่งตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงเห็นดูสัตว์เหตุไรจะไม่เสด็จมาเล่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัตรนี้ประทับอยู่กรุงราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารทรงอุปถากอยู่เครงเท้าเธอจะไม่ให้เสด็จมารัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทูลพระเจ้าพิมพิสารให้ทรงเข้าพระทยัยแล้วนำพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วส่งมอบเครื่องบรรณาการเป็นอันมากส่งเจ้าลิชวีสองพระองค์พร้อมด้วยกองกาลังขนาดใหญ่ไปยังราชสํานักพระเจ้าพิมพิสารโดยสั่งว่า ขอท่นทูลพระเจ้าพิมพิสารให้เข้าพระทัยแล้วนำพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเจ้าลิชวีทั้งสองพระองค์เสด็จไปถวายเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าพิมพิสารแล้วแจ้งให้ทรงทราบเรื่องราวแล้วทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดทรงพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังนครของข้าพระองค์ด้วยเถิด พระราชาไม่ทรงรับรองตรัสว่าพวกท่านทรงรู้เอาเองเถิดเจ้าลิชวีก็ทูลรับว่าดีละพระเจ้าค่ะแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญภัยสามอย่างเกิดขึ้นในนครของข้าพระองค์ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงเสด็จมาไซ ความสวัสดีก็จะเพิ่งมีแค่พวกข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาว่าเมื่อตรัสพัฒนสูตรในกรุงเวสาลีการอารักขาจะแผ่ไปแสนโกดจักรวาลจบสูตรสัตว์แปด0มืนสี่พันจะตรัสรู้ธรรมแล้วจึงทรงรับนิมนต์อย่าลืมนะครับว่า จำนวนตัวเลขในพระตายปิฎกนั้นเป็นสัมนวนไม่ได้หมายถึงจำนวนเท่านั้นจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสัมนวนประมาณการครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงสนับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วโปรดให้โฆษณาไปในพระนครว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์เสด็จไปกรุงเวสาลีแล้ว เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงรับจะเสด็จไปกรุงเวสาลีหรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถวายพระพรมหาบพิตรเท้าเธอทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นโปรดทรงรอจนกว่าจะจัดแจงหนทางถวายนัพระเจ้าข่า ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทำพื้นที่ห้าโยศระหว่างกลุ่มราชครรและแม่น้ำคงคาให้ราบรียบแล้วให้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาที่จะเสด็จไปพระผู้มีพระภาคเจ้าอันภิกษุห้าร้อยรูปแวดล้อมแล้วเสด็จไปพระราชาทรงเอาดอกไม้ห้าสีโปรยหนทางห้าโยศเพียงหัวเขา่าให้ยกธงผ้ามอน้าและต้นกล้วยเป็นต้น ให้กั้นเวตฉาดสองชั้นสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดชั้นเดียวสำหรับพระภิกษุต า, าราลูปทรงทำการบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นพร้อมด้วยราชบริพารของพระองค์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารหลังหนึ่งหนึ่งถวายมหาทานทรงนำเสด็จสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาห้าวัน ณที่นั้นทรงประดับเรือด้วยเครื่องประดับทุกอย่างและทรงส่งสารไปถวายเจ้าเิชวีกรุงเวสาลีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วขอเจ้าเิชวีทุกพระองค์ตกแต่งหนทางถวายการรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเจ้าเิชวีเหล่านั้นตกลงกันว่าจะทาการบูชาเป็นสองเท่าทาพื้นที่สามยนดระหว่างกรุงเวสาลีและแม่น้าคงคาให้เรียบร้อย จัดเวตชัดสี่ชั้นสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปรูปละสองชั้นทำการบูชาเสด็จมาคอยอยู่ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทาเรือขนานสองลำแล้วสร้างมนดบประดับด้วยพวงดอกไม้ปูลาดพุทธาธิษาทำด้วยรัตนล้วนณมนดบนั้น ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือพุทธอาฏนั้นแม้ภิกษุห้าร้อยรูปก็ลงเรือนั่งกันตามสมควรพระราชาทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าลงน้ําประมาณแต่พระสอกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอยู่กันริมฝั่งแม่น้ําคงคานี้นี่หละจนกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกลับมาแล้วก็เสด็จกลับ เทวดาเบื้องบนจนถึงอากาศนิทภพบได้พากันทําการบูชานาคราทั้งหลายมีมกรัรมพลนาคและอัสตระนาคเป็นต้นซึ่งอาศัยอยู่ใต้แม่น้ำคงคาก็พากันทําการบูชาด้วยการบูชาใหญ่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปทางแม่น้ำคงคาสิ้นระยะทางไกลประมาณโยอหนึ่งก็เข้าเขตแดนของพวกเจ้าลิชวีกรุงเวสาลี ตอนนั้นพวกเจ้าลิชวีก็ทำการบูชาเป็นสองเท่าที่พระเจ้าพิมพิสารทรงทำการบูชาออกไปรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงในน้ำประมาณแค่พระสอขณะนั้นเองครู่นั้นเองมหาเมฆมียอดคลุมด้วยความมืดบีแสงฟ้าแลบเคลื่อนตัวไปส่งเสียงคำรามคลื่นครันก็ตั้งขึ้นทั้งสี่ทิศลำดับนั้น พรผู้มีพระภาคเจ้ายกพระบาทแรกวางลงริมฝั่งแม่น้ำคงคาฝนบคขระพันศักก์ก็โปรยเม็ดลงมาชนเหล่าใดต้องการจะเปียกชนเหล่านั้นเท่านั้นย่อมเปียกผู้ไม่ต้องการเปียกก็ไม่เปียกในที่ทุกแห่ง น, น้ำยอมไหลไปเพียงแค่เขา่าแค่ขาแค่สะเอวแค่คอซากศพทั้งปวง ถูกน้ำพัด ส, ส่งลงสู่แม่น้ำคงคาพื้นดินก็สะอาดสะอา้านพวกเจ้าฤชวีให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ทุกๆหนึ่งโยต์ในระหว่างทางถวายมหาทานทรงทำการบูชาเป็นทวีคูณสามวันจึงนำเสด็จสู่กรุงเวสาลีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลี ท้าสักกะจอมถวยเทพอันหมู่เทพห้อมล้อมก็เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครทรงเรียกท่านจ้าอานน์มาสั่งว่าดูก่อนอานน์เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้ถือเครื่องประกอบผลีกรรมเที่ยวเดินไประหว่างประการสามชั้นแห่งกรุงเวสาลีกับพวกเจ้าลิชวีราชกุมารทำพระปริ แล้วได้ตรัสกักตนาสูตรการวิสัรนาปัญหาเหล่านี้ว่าก็พระสูตรนี้ผู้ใดกล่าวกล่าวเมื่อใดกล่าวที่ใดและกล่าวเพราะเหตุใดท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายพันร น, นาไว้พิสดารตั้งแต่เรื่องกรุงเวสาลีเป็นต้นไปด้วยประการชนนี้ ดังนั้นในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลีนั่นเองรัตนสูตรนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสใกล้ประตูกรุงเวสาลีเพื่อกําจัดอุปัทวะเหล่านั้นท่านพระอานนท์ก็เรียนเอาเมื่อจะกล่าวเพื่อเป็นปริตระหรือปริตคือป้องการอุปัทวะจึงเอาบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ามาเดินปักปรมไปทั่วพระนคร พราพระเทระกล่าวว่ายัางกินจิเท่านั้นพวกอมนุษย์ที่อาศัยกองขยะและที่ฝาเรือนเป็นต้นซึ่งยังไม่หนีไปในตอนแรกก็พากันหนีไปทางประตูทั้งสี่ประตูทั้งหลายก็ไม่มีที่ว่างอามนุษย์บางพวกเมื่อไม่ได้ที่ว่างที่ประตูทั้งหลายก็ทลายกำแพงเมืองหนีไปพอพวกอมนุษย์พากันไปแล้วที่เนื้อตัวของพวกมนุษย์ทั้งหลาย โรก็สงบไปพวกมนุษย์ทั้งหลายก็พากันออกมาบูชาพระเทระด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นทุกอย่างมหาชนเอาของหอมทุกอย่างฉากทาสันถาคารที่ประชุมทั้งกลางพระนครทำเพดานขจิตด้วยรัตนะประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงปู่พุทธาดลงณ์ณที่นั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามา พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าสู่สันทาคารประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูไว้ทั้งภิกษุสงฆ์คณะเจ้าและมนุษย์ทั้งหลายก็นั่งณนะอาสนะที่เหมาะที่ควรแม้ท้าวศักกะจอมถวยเทพก็ประทับนั่งใกล้กับเทวบริสัทในเทวโลกทั้งสองทั้งเทวดาอื่นๆด้วยแม้ท่านพระอานนท์เทระ ก็เที่ยวเดินไปทั่วกรุงเวสาลีทําอารักขาแล้วก็มาพร้อมกับชาวกรุงเวสาลีนั่งหน้าที่ควรส่วนหนึ่งณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ร, รัตนาสูตรนั่นแหละแก่ทุกคนแลก็มาติ ก, กาหัวข้อใดข้าพเจ้าตั้งไว้ว่าข้าพเจ้าจะประกาศในยะนี้ว่ารัตนาสูตรนี้ผู้ใดกล่าวกล่าวเมื่อใด กล่าวที่ใดและกล่าวเพราะเหตุใดมาติการนั้นเป็นอันข้าพเจ้ากล่าวไว้พิสดารแล้วโดยประการทั้งปวงด้วยถ้อยคา ม, มีประมาณเท่านี้อนานาคถาว่ายานิทะ บัดนี้จะเริ่มพันนาความเพราะข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าจะพรนนาความแห่งรัตนสูตรนั้นแต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้าคาถาต้นที่เหลือท่านพระอานุเทระกล่าวจะยอย่างไรก็ตามประโยชน์อะไรของเราด้วยคาถาเล็กน้อยที่ยังไม่ได้ตรวจตรานี้ข้าพเจ้าจากพันนาความแห่งรัตนสูตรนี้แม้โดยประการทั้งปวง จะพนนาคถาแรกว่ายานิทะภูตานิเป็นต้นในคถาแรกนั้นบทว่ายานิได้แก่เช่นใดไม่ว่าจะมีสักน้อยหรือสักมากบทว่าอิทะแปลว่าในประเทศนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงสถานที่ประชุมในที่นั้นในบทว่าภูตานิ พูดศัพ์นั้นใช้หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้ตัดสมิงปาจิตติยังเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะมีจริงใช้หมายถึงคันทปัจจกะได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้ตมิทังพิค เ, เวสมนุปสัสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพิจารณาเห็นคันท่ปัจจกะนี้ ใช้หมายถึงรูปมีปัทวีธาตเป็นต้นสี่อย่างได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าจัตตาโรโคภิกขุมหาภูตาเหตุตุดูก่อนภิกษุมหาภูตรูปสี่ลาเป็นเหตุใช้หมายถึงพระขี่นาศพได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าโยจะกาลคัศโผภูโตก็พระขี่นาศพไดแลกินการเวลา ใช้หมายถึงสัพพสัตว์ได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าสัพเพวะนิขิตสันติภูตาโลเกเสมุตสยามสัพพะสัพสัตว์จากทอดทิ้งเรือนร่างไว้ในโลกใช้หมายถึงต้นไม้เป็นต้นได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าผูตคามะปาตับยะตายะในพระพรากภูตคาม ใช ห, หมายถึงหมูสัตว์ภายใต้เทพชั้นจาตุมมหาราชได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้ตั้งผู้ตัดโตสัญชาณาติจำได้ซึ่งหมูสัตว์โดยเป็นหมูสัตว์ก็จริงถึงกระนั้นพูดสั์พึงทราบว่าใช้ในอัฐะคือความหมายว่าอะมนุษย์โดยไม่ต่างกัน บทว่าสมาคตานิแปลว่าประชุมแล้วบทว่าภุมมามิได้แก่อันบังเกิดที่พื้นดินสับว่าวาใช้ในความว่าไม่แน่นอนด้วยวาสับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทมวิกบอันหนึ่งนี้ว่ายานิทะภุมมานิวาภูตานิสมาคตานิ แล้วตรัสว่าญาณิวะอันตสิกเขเพื่อทรงทำวิกัปที่สองอีกความว่าหรือสัตว์เหล่าใดเป็นแล้วเกิดแล้วในอากาศสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดมาประชุมแล้วในที่นี้ก็ในข้อนี้สัตว์ทั้งหลายที่บังเกิดแล้วเป็นแล้วตั้งแต่เทพชั้นยามาจนถึงชั้นอากาศนิฐะ พึงทราบว่าเป็นแล้วคือเกิดแล้วในอากาศเพราะเป็นสัตว์ที่บังเกิดในวิมานอันปรากฏในอากาศสัตว์ทั้งหลายภายใต้แต่นั้นตั้งแต่คุณเขาสิเนรุจนถึงจำพวกที่สิงอยู่ในต้นไม้และเถาวัลย์เป็นต้นและจำพวกที่บังเกิดแล้วเป็นแล้วที่แผ่นดินสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดพึงทราบว่าสัตว์เกิดที่พื้นดิน เพราะเป็นสัตว์ที่บังเกิดณพื้นดินและณต้นไม้เถาวัลย์และภูเขาเป็นต้นที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นดินพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงกำหนดมูสัตว์อมนุษย์ทุกมูเราด้วยสองบทว่าภุมมามิวายานิวะอันตะลิเคทรงกำกับด้วยอีกบทหนึ่งจึงตรัสว่า สัพเพะภูตาสุมาาพระวันตุบทว่าสัพเพได้แก่ไม่เหลือเลยสัพวาเอวะลงในอัตถาว่าอวธารณะห้ามความอื่นอธิบายว่าไม่ละเว้นแม้แต่ผู้เดียวบทว่าภูตาได้แก่พวกอมนุษย์บทว่าสุมาาพวันตุ ได้แก่จงเป็นผู้เกิดปีติโซมมนต์คำว่าอัโทโปิเป็นนิบาต ท, ทั้งสองคำลงในอัถะคือการยึดภาคคือประโยคเพื่อประกอบไว้ในกิจคือหน้าที่อื่นบทว่าสักกัจจะสุนันตุพาสิตังได้แก่ทำให้เป็นประโยชน์ทำไว้ในใจรวบรวมโดยใจทั้งหมดแล้วจงฟังเทศนาของเรา อันจะนำมาซึ่งพิพยสมบัติและโลกุตระสุขในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระบุพวกพูดด้วยพระดํารัสที่แม่แน่นอนว่ายานิทะผูตานิสมาคตานิแล้วจึงทรงกำหนดเป็นสองส่วนอีกว่าผูมานิวายานิวะอนุตตลิเขนอกจากนั้นก็ตรัสรวมอีกว่า สัพเพหภูตาทรงประกอบสัตว์ไว้ในอาสยะสมบัติด้วยพระดํารัสดีว่าสุมาณาพวันตุท่งประกอบสัตว์ในประโยคสมบัติด้วยพระดรํารัสักกัจจังสุนันตุภาสิตังท่งประกอบสัตว์ไว้ในสมบัติคือโยนิโสมณสิการและในสมบัติคือการโฆษณาจากผู้อื่น ก็เหมือนกันทรงประกอบสัตว์ไว้ในสมบัติคือการตั้งตนไว้ชอบและการเข้าหาสัตว์บุรุษและในสมบัติคือเหตุแห่งสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันจึงทรงจบพระคาถาพนรณนาคาถ า, าว่าตัดสมาหิ จะกล่าวคถาที่สองว่าตัดสมาหิเป็นต้นในคถานั้นบทว่าตัดสมาเป็นคํากล่าวเหตุบทว่าภูตาเป็นคําเรียกเชิญบทว่านิสาเมธกได้แก่จงฟังบทว่าสัพเพได้แก่ไม่เหลือเลยท่านอธิบายไว้อย่างไรท่านอธิบายว่า เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายลาทิพยาสถานและความร่างพร้อมแห่งเครื่องอุปโภคบริโภคในทิพยาสถานนั้นมาประชุมในที่นี้ก็เพื่อฟังธรรมไม่ใช่เพื่อดู ก, การรำการฟ้อนเป็นต้นฉะนั้นแลขอท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ทั้งหมดโปรดตั้งใจฟังอีกอย่างหนึ่งด้วยพระดำรัสว่าสุมาณาพวันตุสั ก, ก จ, จังสุนันตุ ท้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าพูดเหล่านั้นมีใจดีและอยากฟังโดยเคารพจึงตรัสว่าเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายประกอบด้วยความเป็นผู้มีใจดีโดยอัตตะสัมมาปณิทิโยนิโสมนาสิการและอาศยะสุทธิด้วยความเป็นผู้อยากฟังโดยเคารพและด้วยประโยค่าสุทธิโดยเป็นปััฐานแห่งการเข้าหาสัตบุรุษ และการโฆษณาจากผู้อื่นฉะนั้นแหละขอพูดทั้งหลายทั้งหมดโปรดตั้งใจฟังเถิดอีกอย่างหนึ่งคำใดตรัสว่าภาสิตังท้ายคาถาต้นทรงอ้างคำนั้นเป็นตัวเหตุจึงตรัสว่าเพราะเหตุที่ธรรมดาภาสิตของเราหาได้ยากยิ่งเพราะขณะที่เว้นจากอักณะทั้งปวง หาได้ยากและมีอนิสงฆ์มากเพราะปฏิบัติด้วยพระคุณมีปัญญาคุณและกรุณาคุณเป็นต้นทั้งเราก็ประสงค์จะกล่าวพาสิบนั้นจึงเ้กล่าวว่าสุนันตุภาสิตังฉะนั้นแลขอท่านพูดทั้งหลายทุกท่านโปรดตั้งใจฟังเถิดประดารัตน์นี้เป็นอันทรงอธิบายด้วยบทแห่งคาถานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงยกเหตุนี้อย่างนี้ทรงประกอบพูดทั้งหลายไว้ในการตั้งใจฟังภาสิทธ์ของพระองค์จึงทรงเริ่มตรัสภาสิทธ์ที่พึงตั้งใจฟังว่าเมตตังกโรถามนุสิยาประชายะพาสิทธ์นั้นมีความว่าประชาชนชาวมนุษย์นี้ใดถูกอุปัทวะทั้งสามขัดขวางแล้วขอท่านทั้งหลายจงเข้าไปตั้งเมตตา ความเป็นมิตรความมีอัธยาศัยเอื่อประโยชน์แก่ประชาชนคนมนุษย์นั่นเถิดแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่ามานุษย์ิกังคำนั้นไม่ถูกเพราะพูดที่อยู่พื้นดินไม่เกิดอาจารย์พวกอื่นพันานาความแม้อันใดความแม้อั น, นั้นก็ไม่ถูกส่วนในที่นี้มีอธิบายว่า เราไม่กล่าวด้วยกำลังความเป็นใหญ่ว่าเป็นพุท ธ, ธะก็แต่ว่าสิ่งไรเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกท่านและแก่ประชาชนคนมนุษยน์นี้เราจะกล่าวสิ่งนั้นว่าเมตตังกโรธามนุสิยาปชายะขอพวกท่านจงทำเมตตาแก่ประชาชนคนมนุษย์เถิดอันหนึ่งในข้อนี้เมตตาพึงทราบว่า เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ทำเมตตาโดยพระสูตรทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่าราชฤษีเหล่าใดชนะแผ่นดินเจ็ดทวีปทองเพียวบูชายันอัศเมธะปริสเมธะสัมมาปาสัวาชเปยยะและนิรคละราชฤษีเหล่านั้นไม่ได้เสวยแม้แต่เซี่ยวที่สิบหกแห่งเมตตาจิตที่อบรมดีแล้ว ถ้าบุคคลมีใจไม่คิดร้ายแม้แต่ตั ว, ตวเดียวประพฤติเมตายอมเป็นผู้ฉลาดด้วยจิตนั้นอริยชนมีใจเอ็นดูสัตว์มีชีวิตทุกหมู่เหลา่าชื่อว่าประกอบบุญเป็นอันมากดังนี้และโดยอนิสงส์สิบเอ็ดประการเมตตาพึงทราบว่าเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแม้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เขาทำเมตตา โดยพระสูตรเป็นต้นอย่างนี้ว่าบุคคลอันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงว่าเมตามีประโยชน์เกื้อกูลแก่คนแม้ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้จึงตรัสว่าเม ต, ตังกรารโธทะมนุสิยาปชายะบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงแม้อุ ป, ปการะจึงตรัสว่า เพราะฉะนั้นแหละขอท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทช่วยปกปักรักษาพวกคนที่นำพลีมาบูชาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยเถิดภาสิทนั้นมีความว่ามนุษย์เหล่าใดสร้างเทวดาแม้ด้วยภาพเขียนและแกะด้วยไม้เป็นต้นและเข้าไปยังรุขาเจดีเป็นต้นทำพลีกรรมเส้นสวงในเวลากลางวันและทำพลีกรรมในเวลากลางคืนวันข้างรางเป็นต้น บูธิเทวดาทั้งหลายหรือถวายสลากพัฒทานเป็นอาทิทำพลีกรรมมุ่งถึงอรคหาเทวดาจนถึงด้วยการมอบปฏิทานให้ส่วนบุญแก่พรหมและเทวดาทั้งหลายและทำพลีกรรมในเวลากลางคืนด้วยการยกฉัดตามประที่ประดับมาลัยและด้วยจัดให้มีการฟังธรรมะตลอดคืนยันรุ่งเป็นต้นมนุษย์เหล่านั้นพวกท่านจะไม่พึงอรัคหาได้อย่างไร เพราะเหตุที่มนุษย์พวกใดทำพลีกรรมอุทิศพวกท่านทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอย่างนี้ฉะนั้นพวกท่านโปรดรักษามนุษย์พวกนั้นเถิดอธิบายว่าฉะนั้นพวกท่านจงคุ้มครองรักษามนุษย์พวกนั้นคือเป็นผู้ไม่ประมาททำความเป็นผู้กระตันอยู่นั้นไว้ในดวงใจระลึกถึงอยู่เป็นนิจจงนำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเขาออกไป จงนําเข้าไปแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนร น, นาคาถาว่ายังกินจิพระผู้มีพระภาคเจ้าค ร, ร, รั้นทรงแสดงว่ามนุษย์มีอุปการะในเทวดาทั้งหลายอย่างนี้แล้วจึงทรงเริ่มประกอบสัจจะวจนะโดยในยะว่า อย่างกินจิวิตตังดังนี้เป็นต้นเพื่อทรงระ ง, งับอุปัตถวะของมนุษย์เหล่านั้นและเพื่อการฟังธรรมของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยการประกาศขุนของพระรัตนไตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นในสัจจวัจนะนั้นบดว่ายังกินจิความว่าท่านยึดถือไม่เหลือเลยโดยไม่กำหนดไว คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรทาการแลกเปลี่ยนได้ในถิมนั้นๆบทว่าวิตังได้แก่ทรัพย์จริงอยู่ทรัพย์นั้นชื่อว่าวิตตัเพราะให้เกิดความปลื้มใจทรงแสดงมนุษยโลกด้วยบทว่าอิทะวาทรงแสดงโลกที่เหลือนอกจากมนุษยยโลกนั้นด้วยบทว่าหุรังวา ด้วยสองบทนั้นพึงทราบว่ากินความถึงนาคและสุบรนเป็นต้นที่เหลือเว้นมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะเมื่อพร้อมที่จะถือเอาโลกทั้งปวงเว้นมนุษย์ทั้งหลายก็ได้ตรัสไว้ข้างหน้าว่าสัตเเคสุวาซั์เครื่องปลื้มใจอันใดสําหรับมนุษย์ที่เป็นซั์ใช้แลกเปลี่ยนและที่ใช้เป็นเครื่องประดับเครื่องบริโภคและเครื่องอุปโภค มีทองเงินแ ก, กแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไผทูลแก้วประพานแก้วทับทิมและแก้วลายเป็นต้นและทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันใดสำหรับนาคและครุฑเป็นต้นที่อุบัติในพบทั้งหลายอันกว้างหลายร้อยโยชน์ในวิมานรัตนะณนะภาพพื้นดินที่ลาดด้วยทรายแก้วมุกดาและแก้วมณีทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันนั้น ก็เป็นอันแสดงแล้วด้วยบททั้งสองนี้ด้วยประการชนนี้บทว่าสัเคเเกสุวาได้แก่เทวโลกที่เป็นกามาวจรและรูปาวจรเทวโลกเหล่านั้นชื่อว่าสักคะสวรรค์เพราะดำเนินไปคือถึงได้ด้วยกรรมอันงามอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสักคะเพราะมีอารมณ์ดีเลิศ บทว่ายังได้แก่ที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของอันใดบทว่ารัตนังได้แก่ชื่อว่ารัตนะเพราะ น, นำพาให้เกิดเพิ่มพูนความยินดีคำว่ารัตนะนี้เป็นชื่อของทุกสิ่งที่ทำให้งดงามมีค่ามากช่างไม่ได้คือตีราคาไม่ได้เห็นยากและเป็นของบริโภคใช้สอยของสัตว์ผู้ไม่ตำซาม เหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าของที่ทำให้เขายำเกรง ม, มีค่ามากช่างไม่ได้เห็นได้ยากเป็นเครื่องใช้สอยของสัตว์ผู้ไม่ต่ำสามด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่ารัตนะบทว่าปณีตังได้แก่สูงสุดประเสริฐสุดไม่น้อยเลยน่าเอิบอาบใจรัตนะใดในสวรรค์ทั้งหลายตั้งต้นแต่วิมานสุธรรมมสภา ภัยยน์ปราศาสตที่เป็นรัตนล้วนขนาดหลายร้อยโยต์มีเจ้าของแล้วรัตนใดที่เกี่ยวข้องอยู่ในวิมานอันว่างเปล่าในสวรรค์ทั้งหลายที่ทำอาบายเท่านั้นให้เต็มปรีเพราะไม่ใช่สมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติไม่มีเจ้าของก็หรือว่ารัตนแม้อื่นใดที่อาศัยอยู่ในพื้นดิน ม, มหาสมุทรและภูเขาหิมะวันเป็นต้นไม่มีเจ้าของ รัตนะอื่นนั้นก็เป็นอันทรงแสดงแล้วด้วยบทแห่งคาถานี้ด้วยประการฉนี้สัพ์ว่านอหนูในบทคาถาว่านะโนสังอติถตถาคเตนะลงในความปฏิเสธสัพ์ว่าโนลงในความห้ามความอื่นบทว่าสมังได้แก่เทียบ บทว่าอัตถิแปลว่ามีอยู่บทว่าตถาคตเณะได้แก่ด้วยพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้อย่างไรอธิบายไว้ดังนี้ซั์เครื่องปลื้มใจและรัตนนั้นใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้แล้วบรรดาศั์เครื่องปลื้มใจและรัตนนั้นรัตนะแม้แต่สักอย่างหนึ่งซึ่งเสมอด้วยพุทธรัตนะ ไม่มีเลยจริงอยู่สักเครื่องปลื้มใจแม้นั้นใดชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐว่าทำให้เกิดความยำเกลงสักเครื่องปลื้มใจนั้นใดคืออะไรคือจากรัตนะและมณีรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมหาชนจะไม่ทำความเคารพยาเกลงในที่อื่น ใครๆถือเอาดอกไม้และของหอมเป็นต้นแล้วจะไม่ไปสถานของยักษ์หรือสถานของพูดชนแม้ทุกคนจะทำความเคารพยําเกรงบูชาเฉพาะจากรัตนและมณีรัตนเะท่านั้นปรารถนาพรนั้นนั้นและพรบางอย่างที่ปรารถนาแล้วของเขาก็สำเร็จผลได้รัตนแม้นั้นเสมอด้วยพุทธรัตนาะย่อมไม่มี ก็หากว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจชื่อวัตนะเพราะอัฏถาว่าทำให้เกิดความเคารพยำเกรงพระตถาคตเท่านั้นก็ชื่อวัตนะจริงอยู่เมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติแล้วเทวดาและมนุษย์ผู้มีศักดิ์มาทุกหมูเ่เหล่าเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่ทำความเคารพยำเกรงในรัตนาอื่นย่อมไม่บูชารัตนารายอื่นจริงอย่างนั้น เท้าสหามวดีพรมก็บูชาพระตถาคตด้วยพวงรัตนะขนาดเท่าภูเขาสินเนรุและเทวดาเหล่าอื่นและมนุษย์ทั้งหลายมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าโกศลและท่านอนาถาบิณฑิกะเป็นต้นก็บูชาตามกำลังพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงสละพระราชทรัพย์เก้าสิบหกโกศทรงสร้างวิหาร 84,000 พันหลังทั่วชมพูทวีป บูธิตถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จป ร, รินิพานแล้วก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่สําหรับหมู่คนที่เคารพยําเกรงเหล่าอื่นเล่าอันหนึ่งแม้พระพุทธเจ้าพระองค์รายราอื่นแม้ป ร, รินิพานแล้วการทําความเคารพยําเกรงบุทิศสถานที่ประสูตรที่ตรัสรู้ที่ประกาศพระธรรมจักรและสถานที่ป ร, รินิพาน หรือเจดีคือพระปฏิมาพระพุทธรูปก็เป็นไปเหมือนของพระผู้มีพระภาคเจ้ารัตนะที่เสมอด้วยพระตถาคตแม้เพราะอัถฐว่าทําให้เกิดความเคารพยำเกรงย่อมไม่มีด้วยประการชนนี้ซับเครื่องปลื้มใจแม้นันชันใดชื่อว่ารัตนะเพราะอัถฐว่ามีค่ามากก็เหมือนกัน ทรัพเครื่องปลื้มใจนั้นคืออะไรคือผ้าแคว้นกาสีเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ้าแคว้นกาสีแม้เก่าก็ยังมีสีสันมีสัมผัสสบายและมีค่ามากทรัพเครื่องปลื้มใจแม้นั้นเสมอโดยพุทธรัตนาะย่อมไม่มีก็หากว่าทรัพเครื่องปลื้มใจชื่อรัตนะ เพราะอัฏฐาว่ามีค่ามากพระตถาคตเท่านั้นชื่อว่ารัตนะจริงอยู่พระตถาคตทรงรับแม้บางสุขุญจีวรของชนเหล่าใดทานนั้นของชนเหล่านั้นย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากทั้งนี้ก็เพราะพระตถาคตนั้นมีค่ามากด้วยคํากล่าวถึงข้อที่พระตถาคตทรงมีค่ามากอย่างนี้ พึงทราบบทแห่งพระสูตรที่สาทก ค, ความไม่มีโทษในข้อนี้ดังนี้ว่าตถาคตนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดฐานนั้นของชนเหล่านั้นย่อมมีผลมากมีอานิสงมากเรากล่าวดังนั้นก็เพราะพระตะถาคตนั้นมีค่ามากดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีนั้นมีค่ามากแม้ฉันใดเราก็กล่าวว่าบุคคล น, นี้มีอุปมาฉันนั้นรัตนะเสมอด้วยพระตถาคตแม้เพราะอัฏาว่ามีค่ามากย่อมไม่มีด้วยประการฉันนี้รักเครื่องปลื้มใจแม้นั้นใดชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐาว่า ช่งไม่ได้ก็เหมือนกันสาบเครื่องปลื้มใจนั้นคืออะไรคือจากรัตนะของพ ร, ระเจ้าจักรพรรดิมีดุมเป็นมณีอินทนินมีซี่เป็นรัตนะเจ็ดพันซี่มีกรงแก้วประพานมีที่ต่อเป็นทองสีแดงเกิดขึ้นซึ่งซี่กำเกลี้ยงวางบนซี่ทุกสิบซี่รับลมแล้วจะทําเสียงเป็นเหมือนเสียงดนตรีเครื่องห้าที่ผู้ชํานาญบรรเลงแล้ว ทั้งสองข้างของดุมมีหน้าราชสีสองหน้าข้างในล้อรถมีรูไม่มีคนทำหรือคนให้ทำมันตั้งขึ้นแต่อุตุมีกรรมเป็นปัจจัยซึ่งพระราชาทรงบำเพ็ญจักวัติวัดสิบประการแล้ววันอุโบสถสิบห้าค่ำทรงสนามพระเสียรแล้วทรงถืออุโบสถเสด็จขึ้นบนพระมหาปราสาส่งชาระศีล ประทับนั่งแล้วจะทอดพระเนตรเห็นจักรรัตนปรากฏขึ้นเหมือนดวงจันทร์เพ็นและดวงอาทิตย์จะทรงได้ยินเสียงมาตั้งแต่สิบสองโยธเห็นสีสันมาแต่สามโยธซึ่งมหาชนลาเห็นจะพากันแตกตื่นอย่างละเกินว่าจะรอยดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ดวงที่สองเกิดขึ้นแล้วลั่นมาเหนือพระนครไม่สูงนักไม่ต่านัก ทางด้านทิศตะวันออกภายในพระราชนิเวศแล้วหยุดอยู่เหมือนเผล่าหักในที่ที่มหาชนควรบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นหัตถิรัตนะช้างแก้วก็เกิดขึ้นติดตามจากรัตนะนั้นนั่นแหลคือช้างเผือกปลอดเท้าแดงมีกำลังเจ็ดช้างสารมีริดไปทางอากาศได้ มาจากช้างตระกูลอุโบสถก็มีจากตระกูลช้างฉัดทันก็มีถ้ามาจากตระกูลอุโบสถก็เป็นพี่ของช้างทั้งหมดถ้ามาจากตระกูลฉัดทันก็เป็นน้องของช้างทั้งหมดมีการศึกษาที่ศึกษาแล้วฝึกมาแล้วช้างนั้นพาบริษัทประมาณสิบสองโยต์ระเวณทั่วชมพูทวีปไปแล้วกลับมาเองก่อนอาหารเช้านั่นแหล อัสรัตนะก็เกิดติดตามหัตถิรัตนะแม้นั้นนั่นแลคือม้าขาวปลอดเท้าแดงศรีรษะดังกามีผมดังหญ้ามุงกระต่ายมาจากตระกูลพระยามาวลาหกในข้อนี้คำที่เหลือก็เช่นเดียวกับหัตถิรัตนะนั่นแลมณีรัตนะก็เกิดติดตามอสารัตนะแม้นั้น มณีนั้นเป็นแก้วไพยทูลงามโดยธรรมชาติตัดเหลี่ยมเจรินายอย่างดีโดยยาวก็เสมือนดุมแห่งจักรมาจากเวฬุบุรบันพศมณีนั้นยามมืดแม้ที่ประกอบด้วยองค์สีอยู่ถึงยอดธงของพระราชาก็ส่องแสงสว่างไปตั้งโยชซึ่งโดยแสงสว่างพวกมนุษย์สำคัญว่ากลางวันก็ประกอบการงานมองเห็นโดยที่สุด แม้กระทั่งมดดำมดแดงอิทธรัตธนะก็เกิดติดตามมณีรัตนะแม่นั้นแหละคือสตรีที่เป็นพระอัครมเหสีโดยปกติหรือมาจากอุตรากุรุทวีบหรือจากราชสรกุลมัทราชเว้นจากโทษหกมีสูงเกินไปเป็นต้นล่วงวั น, นะของมนุษย์แต่ไม่ถึงวั น, นะทิพ ซึ่งสำหรับพระราชาก็จะมีกายอุ่นเมื่อยามเย็นจะมีกายเย็นเมื่อยามร้อนมีสัมผัสเหมือนปุยนุ่นที่ชีแล้วเจ็ดครั้งกลิ่นจันร์จะโชยออกจากกายกลิ่นอุบลจะโชยออกจากปากและเป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเป็นอันมากมีตื่นก่อนเป็นต้นคหาปฏิรัตนะ ก็เกิดติดตามอิทธิรัตนะแม่นั่นแหละก็คือเศรษฐีผู้ทำการงานโดยปกติของพระราชาซึ่งพอจากรัตนะเกิดขึ้นก็ปรากฏที่พยาจักสุเห็นขุมทรัพย์ได้ประมาณโยศหนึ่งโดยรอบทั้งที่ไม่มีเจ้าของทั้งที่มีเจ้าของก็เข้าเฝ้าพระราชาทูลปรารถนาว่าข้าแต่เทวราชขอพระองค์โปรโดทรงวางพระราชภารกิจเถิด ขาพระบาทจักทํากิจที่ควรทําเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระองค์เองพระเจ้าค่ะปรินายกรัตนะก็เกิดติดตามขหาปฏิรัตนะแม้นันแลโดยปกติก็คือพระเชษฐราชโอรสของพระราชาพอจักรัตนะเกิดขึ้นก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาความฉลาดอย่างเลิศเกิน สามารถกำหนดรู้จิตใจของบริษัทประมาณสิบสองโยต์ด้วยใจตนแล้วทำการนิหะลงโทษและปักกะหะคือยกย่องปรินายกนั้นก็เข้าฟฝ้าพระราชาทูลปรารถนาว่าข้าแต่เทวราชขอพระองค์โปรดทรงวางพระราชภาระเถิดข้าพระบาทจากบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์เองพระเจ้าค่าก็หรือว่า ทรัพเครื่องปลื้มใจแม้อื่นใดเห็นปานนั้นชื่อว่ารัตนะเพราะอัฐากว่าช่างไม่ได้ทรัพ์เครื่องปลื้มใจอันใดไม่สามารถพินิจพิจารณาตีราคาว่ามีข้าวร้อยหนึ่งพันหนึ่งหรือโกดหนึ่งในทรัพ์เครื่องปลื้มใจนั้นแม้รัตนะสักอย่างหนึ่งซึ่งเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีเลย หากว่าทราบเครื่องปลื้มใจชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐาว่าช่างไม่ได้พระตถาคตเท่านั้นชื่อว่ารัตนะจริงอยู่พระตถาคตใครๆก็ไม่สามารถพินิษพิจารณาโดยศีลโดยสมาธิหรือโดยบรรดาปัญญาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกาหนดว่าทรงมีพระคุณเท่านี้ทรงเสมอหรือเทียบเคียงกับผู้นี้ รัตนะเสมอด้วยพระตถาคตแม้เพราะอัฏฐะว่าชั่งไม่ได้ไม่มีเลยด้วยประการชนนี้ทพทบเครื่องปลื้มใจแม้นั้นใดชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐาว่าเห็นได้ยากก็เหมือนกันทพทบเครื่องปลื้มใจนี้ก็คือความเป็นของปรากฏได้ยากได้แก่พระเจ้าจั ก, กรพรรดิ รัตนเจ็ดประการของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นรัตนแม้นั้นที่เสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีก็หากว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏ ฐ, ฐาว่าเห็นได้ยากใสพระตถาคตเท่านั้นชื่อว่ารัตนะความเป็นรัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นต้นจะเห็นได้ยากมาจากไหนเล่าจริงอยู่ รัตนเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นเป็นอันมากในกับเดียวเท่านั้นแต่เพราะเหตุที่โลกต้องว่างเปล่าจากพระตถาคตนับเป็นอสงไข่กับฉะนั้นพระตถาคตเท่านั้นชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสมัยปรินิพานดังนี้ว่าดูก่อนอานนท์ เทวนาทั้งหลายกล่าวโทษว่าพวกเราพากันมาแต่ไกลหมายจะเฝ้าพระตถาคตเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกในการบางครั้งบางคราววันนี้นี่แหละยามท้ายแห่งราตรีพระตถาคตก็จะเสด็จปรินิพานแต่ภิกษุผู้มีศักมากรูปนี้ยืนอยู่เบื้องพระภาค พ, พราผู้มีพระภาคเจ้ากีดขวางอยู่ พวกเราไม่ได้โอกาสจะเฝ้าพระตถาคตรัตนะที่เสมอด้วยพระตถาคตแม้เพราะอัฏฐว่าเห็นได้ยากย่อมไม่มีด้วยประการชนนี้ซับเครื่องปลื้มใจแม้นั้นใดชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐาว่าเป็นเครื่องบริโภคใช้สอยของสัตว์ผู้ไม่ต่ำซามก็เหมือนกัน ทรัพย์เครื่องปลื้มใจนั้นคืออะไรคือรัตนะเป็นต้นของพระเจ้าจากักรพรรดิจริงอยู่รัตนะนั้นไม่ใช่บังเกิดเพื่อเป็นเครื่องบริโภคแม้ด้วยความฝันของบุรุษต่ำสามผู้มีตระกูลต่ำเช่นคนจันทานช่างจักสารปรานช่างลดและคนเทขยะเป็นต้นซึ่งมีทรัพย์ตั้งแสนโกรก็ดีอยู่บนมหาปราสาทเจ็ดชั้นก็ดี แต่เป็นเครื่องบริโภคของสัตว์ผู้ไม่ต่ำสามเพราะบังเกิดเพื่อเป็นเครื่องบริโภคของพระราชามาหากษัตริย์ผู้เป็นโอภาโตสุชาติบำเพ็ญจักวัดิวัติสิบประการบริบูรณ์แม้รัตนนั้นที่เสมอกับพุทธรัตนไม่มีเลยก็หากว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจชื่อว่ารัตนเะพราะอัฏฐว่าเป็นเครื่องบริโภคของสัตว์ผู้ไม่ต่ำสามไซ ระตถาคตเท่านั้นชื่อว่ารัตนะจริงอยู่ประตถาคตมีใช่เป็นเครื่องบริโภคแม้ด้วยความฝันของครูทั้งหกมีบุรณะกัสสะเป็นต้นซึ่งสมมุติกันว่าเป็นสัตว์ตำซามผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยมีทัศนะอันวิปริตและของสัตว์เหล่าอื่นเห็นปานนั้นแต่เป็นเครื่องบริโภคของเหล่าท่านผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย ผู้สามารถบรรลุพระอระหันตเมื่อจบคาถาแม่สี่บทผู้มีญาทัศนะทำลายกิเลสมีท่านพาหิยะทารุจิริยะเป็นต้นละของพระมหาสาวกทั้งหลายอื่นๆผู้เป็นบุตรของตระกูลใหญ่จริงอยู่เหล่าสัตว์ผู้ไม่ตำซามเหล่านั้นเมื่ อ, อยังทัศนานุตาริยะสาวนานุตาริยะ และปาริจาริยานุตริยะเป็นต้นให้สำเร็จชื่อว่าบริโภคใช้สอยพระตถาคตรัตนะที่เสมอด้วยพระตถาคตแม้เพราะอัตถว่าเป็นเครื่องบริโภคของสัตว์ผู้ไม่ต่ำสามไม่มีเลยด้วยประการชนนี้ซับเครื่องปลื้มใจแม้นันใดโดยไม่วิเศษชื่อว่ารัตนะเพราะอัตถว่าให้เกิดความยินดี ทรัพย์เครื่องปลื้มใจนั้นคืออะไรคือจากรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิจริงอยู่พระเจ้าจักรพรรดิทรงเห็นจากรัตนะแม้นั้นแล้วก็ทรงดีพระราชหฤทยจากรัตนะนั้นนำความยินดีมาให้แก่พระราชาแม้ด้วยประการชนนี้อีกอย่างหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิทรงจับพระสุวรรณพิงคารด้วยพระหัตถ์ซ้าย ทรงประพรมด้วยพระหัตถ์ขวามีพระราชองค์การว่าจากรัตนะจงดำเนินไปจากรัตนะจงมีชัยชนะแต่นั้นจากรัตนะก็เปล่งเสียงไพเราะดังดนตรีเครื่องห้าเหาะไปทิศบูรพาพระเจ้าจากักรพรรดิทรงยกจัตุรงค์ขานาแวงกว้างประมาณสิบสองโยต์ติดตามไปด้วยอานุภาพของจากรัตนะไม่สูงนักไม่ต่ำนัก ภาพพื้นดินอย่างต่ำแค่ต้นไม้สูงอย่างสูงแค่ต้นไม้ต่ำทรงรับเครื่องบรรณาการจากมือของพวกที่ถือบรรณาการมีดอกไม้ผลไม้และหน่อไม้ในต้นไม้เป็นต้นถวายฝ่ายพระราชาที่เคยเป็นปฏิปักษ์ที่มาเฝ้าด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งว่าขอเชิญเสด็จมาเถิดพระมหาราชเจ้าก็ทรงอนุสาสั่งสอน โดยในยะว่าไม่ควรฆ่าสัตว์มีชีวิตดังนี้เป็นต้นจึงสเสด็จไปก็ในที่ใดพระราชามีพระราชประสงค์จะเสวยหรือประสงค์จะบรรทมกลางวันในที่นั้นจักรัตนะก็จะลงจากอากาศแล้วหยุดอยู่เหมือนเปล่าหักหนาพื้นดินที่ราบเรียบเหมาะแก่กิจทุกอย่างมีกิจเกี่ยวกับน้ำเป็นต้น เมื่อพระราชาเกิดจิตคิดจะเสด็จไปอีกจากรัตนะก็กระทำเสียงโดยนยะก่อนนั่นแหละถึงลั่นไปฝ่ายบริษัทคือขบวนทัพขนาดสิบสองโยชน์ได้ยินเสียงนั้นก็พากันเหาะไปจากรตนะลงสู่มหาสมุทรทิดบุรพาโดยลำดับเมื่อจากรตนะนั้นลงสมุทรน้ำก็หดตัวไปประมาณโยดหนึ่ง หยุดนิ่งเหมือนทำความจงรักภักดีมหาชนก็ถือรัตนะทั้งเจ็ดตามความต้องการพระราชาทรงจับสุวรรณพิงคารอีกทรงประพรมด้วยน้ำว่าราชกิจของเราดำเนินตั้งต้นแต่นี้ไปเราเสด็จกลับกองทัพอยู่ข้างหน้าจักรัตน์อยู่ข้างหลังพระราชาอยู่กลางน้ำเข้าเต็มที่ตลอดสถานที่จักรัตนถอนตัวไป จักรตระก็ไปในสมุดด้านทิศทักษิณทิศปัจจิมและทิศอุดรโดยอุบายนี้นี่แลจักรตนะะตระเวนไปตลอดสี่ทิศอย่างนี้แล้วก็ขึ้นสู่อากาศประมาณสา0ร้อโยชน์พระราชาประทับยืนบนจักรตระนั้นส่งพิชิตชัยชนะด้วยอนุภาพจักรัตนะทรงตรวจดูจั ก, กรวาลหนึ่งซึ่งประดับด้วยทวีปใหญ่สีทวีปและทวีปน้อยสองพันทวีป เหมือนสวนบัวบลทริกที่บานเต็มที่แล้วอย่างนี้คือบุพพวิเทหทวีปประดับด้วยทวีปน้อยห้าร้อยทวีปมีปริมณฑลเจ0ดร้ยโยชน์อุตรากูรุทวีปก็เหมือนกันมีปริมณฑล800โยชน์อภราคโคยานัทวีปมีปริมณฑลเจ0ร้อโยชน์เหมือนกันและชมพูทวีปมีปริมณฑลนึ0พโยช พระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์นั้นกำลังทรงตรวจดูอย่างนี้ก็ทรงเกิดความยินดีมิใช่น้อยเลยจากรัตนนั้นให้เกิดความยินดีแก่พระราชาแม้ด้วยอาการอย่างนี้จากรัตน์แม้นั้ น, น, นที่เสมอด้วยพุทธรัต น, นหามไหม่ก็หากว่าชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐาว่าให้เกิดความยินดีไซพระตถาคตเท่านั้นชื่อว่ารัตน์น จากรัตนะอย่างเดียวจะทำอะไรได้จึงอยู่ความยินดีในจักรวัตที่รัตนะแม้ทุกอย่างมีจากรัตนะเป็นต้นทำให้เกิดก็ยังไม่นับไม่เท่าเซี่ยวแม้ส่วนของความยินดีที่เป็นทรัพย์อันใดประทถาคตทรงทำให้เกิดความยินดีในปฐมฌานความยินดีในปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านจะตุตถฌาน และปัจจมาชานความยินดีในอากาสารนัญจายตนะชานวิญญาณัญจายตนะชานอากินจัญญายตนะชานและเนวสัญญาณาสัญญาญตนะชานความยินดีในโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลสกะตาคามีมักสกะตาคามิผลอนนาคามีมักอนนาคามีผลอรหัตมักและอรหัตผลแก่เทวดาและมนุษย์ นับจำนวนไม่ได้ผู้รับสนองพระโอวาทของพระองค์ยิ่งกว่าปราณีตกว่าความยินดีแม้อันนั้นรัตนเสมอด้วยพระตาคตแม้เพราะอัตถว่าให้เกิดความยินดีไม่มีด้วยประการชนนี้อันหนึ่งธรรมดารัตนนี้มีสองอย่างคือสวิญญาณกะรัตนะและอวิญญาณกะรัตนะ บรรดารัตนทข้างสองนั้นอวิญญาณการัตนะได้แก่จากรัตนะและมณีรัตนะก็หรือรัตน์แม้อื่นใดมีทองและเงินเป็นต้นที่เกี่ยวเนื่องด้วยอนินทรีสวิญญาณาการัตนะได้แก่รัตนมีหัตถิรัตนะเป็นต้นมีปริษณายกรัตนเป็นที่สุดก็หรือว่ารัตนะแม้อื่นใดเห็นปานนั้นที่เกี่ยวเนื่องด้วยอินทรี เมื่อเป็นดังนั้นในรัตนะทั้งสองอย่างสวิญญาณกะรัตนะกล่าวกันว่าเป็นเลศในข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ารัตนะมีทองเงินแก้วมณีแก้วมุกดาเป็นต้นถุกนําเข้าไปใช้เป็นเครื่องประดับของหัตถิรัตนะเป็นต้นที่เป็นสวิญญาณกะรัตนะแม้สวิญญาณกะรัตนะก็มีสองอย่าง ค, สสคือรัตนะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานและรัตนะที่เป็นมนุษย kind of บ์บรรดาสวิญญาณกะรัตนะสองอย่างนั้นรัตนะที่เป็นมนุษย์กล่าวกันว่าเป็นเลิอเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ารัตนะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมเป็นพาหะของรัตนะที่เป็นมนุษย์แม้มนุษย์สารัตนะก็มีสองอย่างคืออิทธิรัตนะและปุริสารัตนะ บรรดามนุสสารตนะทั้งสองนั้นปุริสารัตนะกล่าวกันว่าเป็นเลอเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าอิทธิรัตนะต้องเป็นบริจาริกาของปุริสารัตนะแม้ปุริสารัตนะก็มีสองคืออคราริการัตนะและ อ, อนคนะาริการัตนะบรรดาปุริสารัตนะทั้งสองนั้น อ, อนคาริการัตนะกล่าวกันว่าเป็นเลศ เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าในอาคาริกาัตนะแม้พระเจ้าจะกระพัดเป็นเลิศก็ยังไหวอนานคาริกาัตนะผู้กอ่อปอนด้วยคุณมีศสีลเป็นต้นด้วยเบญจางขประดิษฐ์บำรงนั่งใกล้ประสบสมบัติที่เป็นพิบและมนุษย์บรรลุนิพพานสมบัติในที่สุดเมื่อเป็นดังนั้นแม้อนาคาริกรัตนะก็มีสองอย่าง คืออริยรัตนะและปุถุชนรัตนะแม่อริยรัตนะก็มีสองอย่างคือเสขรัตนะและอเสขรัตนะแม้อัเสขรัตนะก็มีสองอย่างคือสุขวิปัสสกรัตนะและสมถียานิการัตนะแม้สมถียานิการัตนะก็มีสองอย่างคือที่บรรลุสาวกะ หรือสาวกบารมีและไม่บรรลุบรรดาสมถยานิการัตนะทั้งสองนั้นสมถยานิการัตนะที่บรรลุสาวกบารมีกล่าวกันว่าเป็นเลิศเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามีคุณมากปัจเจกพุทธรัตนะกล่าวกันว่าเป็นเลิศแม้กว่าสาวกบ า, ารมีปัสตารัตนะ เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามีคุณมากพระสาวกหลายร้อยแม้เช่นท่านพระสาวรีบุตรท่านพระโมคคลานะก็ไม่ถึงแม้ส่วนร้อยแห่งคุณทั้งหลายของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าองค์เดียวสัมมาสัมพุทธรัตนะกล่าวกันว่าเป็นเลิศแม้กว่าปัจเจ ก, กพุทธรัตนะเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่ามีคุณมากก็หากว่าพระปัจเจกและพุทธเจ้าทั้งหลายนั่งขัดสมาธิเบียดกันทั่วทั้งชมพูทวีปก็ไม่เท่าไม่เท่าเซี่ยวไม่เท่าส่วนเซี่ยวแห่งพระคุณทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายไม่มีท้าหรืออื่นๆเป็นต้นพระตถาคตกล่าวกันว่าเป็นเลิอแห่งสัตว์เหล่านั้นเป็นต้นรัตนะที่เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลยโดยป ร, ริยายบางอย่างด้วยประการชนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสวา่านโนสมังอัติตถาคเตนะระตัตนะที่เสมอด้วยตถาคตไม่มีเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรีความที่พระพุทธรัตนะอันรัต น, น์อื่นๆเปรียบไม่ได้อย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อระ ง, งับอุปัตถวะที่เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายไม่ทรงอาศัยชาติไม่ทรงอาศัยโคดไม่ทรงอาศัยความเป็นกุลบุตรไม่ทรงอาศัยความเป็นผู้มีวันณงามเป็นต้นหากแต่ทรงอาศัยความที่พระพุทธรัตนะไม่มีอะไรเทียบเทียมได้ด้วยคุณทั้งหลาย มีศีลขันธ์และสมาธิขันธ์เป็นต้นในโลกที่มีอเวจีเป็นต้นมีภาวคัพรมเป็นที่สุดจึงทรงประกอบสัจจวัจนว่าอิ ท, ทามปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุแม้อันนี้ก็เป็นรัตนอันประนีในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตนี้ขอความสวัสดีจงมีดังนี้ สัจจวัชนะนั้นมีความดังนี้ว่าความที่พระพุทธเจ้าไม่มีใครเทียบได้โดยพระคุณทั้งหลายนั้นนั้นกับทรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือรัตนะทุกอย่างที่มีในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือในสวรรค์ทั้งหลายแม้อันนี้ชื่อว่าเป็นรัตนะอันปรานีในพระพุทธเจ้าก็หากว่าข้อนี้เป็นสัจจะไซเมื่อเป็นดังนั้นด้วยสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมีขอความที่สิ่งดีงามทั้งหลายมีอยู่ความไม่มีโรคความปราศจากอุปทวะจงมีแก่สัตว์เหล่านั้นก็ในข้อนี้พึงทราบความว่ารัตนประนีตได้แก่ความเป็นรัตนประนีตคือภาวะที่พระพุทธเจ้าเป็นรัตนประนีตเหมือนความที่ว่าเพราะเป็นตน หรือเพราะเนื่องอยู่กับตนในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนอา น, น์จากสุแล้วว่างเปล่าจากตนหรือจักสิ่งที่เนื่องอยู่กับตนจริงอยู่นอกจากนี้จากสุก็เป็นอันปฏิเสธไม่ได้ว่าตนหรือสิ่งที่เนื่องอยู่กับตนฉะนั้นแท้จริงโดยประการนอกจากนี้ พรพุทธเจ้าย่อมไม่สำเร็จเป็นรัตนะด้วยว่ารัตนะไม่มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ย่อมไม่สำเร็จเป็นรัตนะแต่ว่ารัตนะที่เกี่ยวพันโดยวิธีไร่ไรก็ตามที่นับว่าเป็นประโยชน์มีผู้คนทำความเคารพย้ำเกรงเป็นต้นมีอยู่ในสิ่งใดเพราะเหตุที่สิ่งนั้นท่านมุ่งหมายเอาความเป็นรัตนะจึงบัญญัติว่ารัตนะ ฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงสำเร็จว่ารัตนะเพราะรัตนนั้นมีอยู่อีกนัยยหนึ่งบทว่าอิทัมปิพุทธเทรัตนังปณีตังพึงทราบความอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะโดยประการแม้นี้พอพระผู้มีพร ะ, พระภาคเจ้าตรัสตกถาความสวัสดี ก็เกิดแก่ราชสกุลภัยก็ระ ง, งับไปพวกอนมนุษย์ในแสนโกฏกขวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระกาทานี้แลพันนาคถาว่าขายังวิราคังพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวันะอย่างนี้แล้ว บัด น, นี้จึงทรงเริ่มตรัสว่าขยังวิราคังเป็นต้นในคํานั้นเพราะเหตุที่กิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นหมดสิ้นไปเพราะทําให้แจ้งพระนิพพานหรือเพราะเหตุที่พระนิพพานนั้นพอกิเลสเหล่านั้นสิ้นไปโดยดับไม่เกิดและเพราะเหตุที่พระนิพพานนั้นไม่ประกอบด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นโดยความประจวบและโดยอารมณ์ หรือเพราะเหตุที่เมื่อบุคคลทำให้แจ้งพระนิพพานนั้นแล้วกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นก็คลายออกไปสิ้นเชิงปราศจากไปถูกกำจัดไปฉะนั้นพระนิพพานท่านจึงเรียกขยะว่าวิราคะแต่เพราะเหตุที่พระนิพพานนั้นความเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมไม่ปรากฏความที่จิตปลาบปลนไม่มี ฉะนั้นพระนิพพานนั้นท่านจึงทำว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเรียกว่าอมตะแต่ในที่นี้ท่านเรียกว่าประนิพนเพราะอัตถว่าสูงสุดและเพราะอัตถว่าไม่อิ่มบทว่ายทติชะคาได้แก่บรรลุพบได้กระทำให้แจ้งด้วยกำลังญาณของตนซึ่งพระนิพพานนั้น บทว่าสักยะมุนีได้แก่ชื่อว่าสักยะเพราะทรงเป็นโอรสของสกุลสักยะชื่อว่ามุนีเพราะประกอบด้วยโมเนยธรรมมุนีคือสักยะชื่อว่าพระสักยะมุนีบทว่าสมาหิตโตได้แก่ผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิเป็นอริยมรรคบทว่าเน เ, เตนะธรรมเนนะ สมัติกินจิความว่าธรรมชาติไร้ายที่เสมอด้วยธรรมะที่พระสัคยมุนีทรงบรรลุแล้วมีนามว่าขยะเป็นต้นนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นแม้ในพระสูตรอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้เป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายไม่ว่าเป็นสังตะหรืออสังตะเพียงใด วิราคะธรรมท่านกล่าวว่าเป็นยอดของธรรมะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครัน้นตรัสความที่นิพพานธรรมนั้นธรรมะอื่นเทียบไม่ได้อย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อระ ง, งับอุปัตตวะที่เกิดแก่สัตว์เหล่านั้นทรงอาศัยความที่รัตนะคือนิพพานธรรมไม่มีธรรมะอื่นจะเหมือนด้วยคุณทั้งหลายคือความเป็นธรรมะเป็นที่สิ้นกิเลส สำรอกิเลสเป็นอมตะธรรมและธรรมะอันประนีตจึงทรงประกอบสัจจวัจนะว่าอิทัมปิธรรมเม ร, รตนาปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัถิโหตุแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประนีตในพระธรรมด้วยสัจจวัจนะนี้ขอความสวัสดีจงมีความของสัจจวัจนะนั้น พึงทราบตามในยะที่กล่าวมาแล้วในคถาต้นนั่นแหลพวกอมนุษย์ในแสนโกฏิขวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชยาแห่งพระคถาแม้นี้แหละพันนาคถาว่ายัมพุท ธ, ธเสษโถพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้ตรัสสัจวัชนะด้วยคุณแห่งนิพพานธรรมอย่างนี้แล้ว บทนี้จึงทรงเริ่มตรัสด้วยพระคุณแห่งมรรคธรรมว่าย่พุธธธทธเกษถเป็นต้นในคํานั้นชื่อว่าพุท ธ, ธโดยในย่าเป็นต้นว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายชื่อว่าเศรษฐะเพราะเป็นผู้สูงสุดและควรสรรเสริญชื่อว่าพุท ธ, ธเศษฐะเพราะเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้สูงสุดและควรสรรเสริญ อีกนัยะหนึ่งชื่อว่าพุทธเศรษฐะเพราะเป็นผู้ประเสริฐสุดในพระพุทธะทั้งหลายที่เรียกว่าธนุพุทธะปเ จ, จกพุทธะและสุตตะพุทธะพระพุทธะผู้ประเสริฐสุดพระองค์นั้นทรงชมสรรเสริญประกาศสมาธิธทำใดไว้ในบาลีนั้นๆโดยนัยะเป็นต้นว่ามักมีองค์แปดประเสริฐสุดแห่งมักทั้งหลาย เสมเพื่อบรรุพระนิพพานและว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัมมาส ม, มาธิอันเป็นอริยะที่มีเหตุมีเครื่องประกอบแก่ท่านทั้งหลายบทว่าสุดจริงได้แก่ของแพ้วสิ้นเชิงเพราะทำการตัดมนลทินคือกิเลสได้เด็ดขาดบทว่าส ม, มาธิมานันติกัญญมาหุ ความว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงสมาธิอันใดว่าอนันตาริกาสมาธิสมาธิเกิดในลำดับเพราะอํานวยผลแน่นอนในลำดับการดําเนินการปฏิบัติของตนอันตรายใดๆที่ห้ามกันความเกิดผลแห่งอนันตริกาสมาธินั้นเมื่อสมาธิอันเป็นตัวมากเกิดขึ้นแล้วหามีไม่เหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่า ก็บุคคลนี้พึงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโซดาปฏิพันธและพึงเป็นเวลาที่กลับไม่กลับก็จะยังไม่พึงไหมตราบเท่าที่บุคคลนี้ยังไม่ทําให้แจ้งโซดาปฏิพันธบุคคลผู้นี้เรียกว่าทิตตา ก, กับปีผู้ตั้งอยู่ตลอดกลับบุคคลผู้มีมรรคพร้อมทั้งหมดก็เป็นทิตตากับปีผู้ตั้งอยู่ตลอดกั บ, บ บทว่าสมาธินาเตนะสโมโณวิชติความว่ารูปาวจรสมาธิหรืออรูปาวจรสมาธิใดๆที่เสมอด้วยอนันตาริกาสมาธิอันสะอาดที่พระพุทธะผู้ประเสิร์สุดสรรเสริญแล้วนั้นไม่มีเลยเพราะเหตุไรเพราะสัตว์แม้เกิดในพรหมโลกนั้นๆเราอบรมสมาธิเหล่านั้นแล้ว ก็ยังมีการเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นอีกได้และเพราะพระอริยบุคคลตัดการเกิดทุกอย่างได้เด็ดขาดเพราะอบรมสมาธิที่เป็นตัวพระอรหันต์นี้แล้วเพราะฉะนั้นแม้ในสูตรอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมาทั้งหลายที่เป็นสังคตั์คืออันปัจจัยปรุงแต่ง มีประมาณเท่าใดอริยามะามีองค์แปดกล่าวกันว่าเป็นเลิศกว่าสังคต ธ, ธรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสความที่อ น, นันตาริกาสมาธิอันสมาธิอื่นๆเทียบไม่ได้อย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยความที่รัตนะคือมรรคธรรมอันรัตนะอื่นไม่เทียบได้โดยนัยยะ ก, ก่อนนั่นแหละจึงทรงประกอบสัจจวจนะว่า อิธรรมปิธรรมเมจนถึงสุวัิโอนตุแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประนีในพระธรรมขอความสวัสดีจงมีความของสัจจวั จ, จนะนั้นพึงทราบโดยนัยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแหละพวกอามนุษ์ในแสน ก, กวจักรวาลพากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคถานี้แหล อนนาคาถาว่าเยปุคลารพระผู้มีพระภาคเจ้ากรัตรัสัจจะวจนะแม้ด้วยคุณแห่งมรรคธรรมอย่างนี้แล้วบัดนี้จึงทรงเริ่มตรัสแม้ด้วยสังคคุณว่าเยปุคลาเป็นต้นในคํานั้นสั์ว่าเยเป็นนิเทศไม่แน่นอนบทว่าปุคลาได้แก่สัตว์ทั้งหลายสัพ์ว่า อัถะเป็นการกําหนดจํานวนสัตว์เหล่านั้นจริงอยู่สัตว์เหล่านั้นมีแปดคือผู้ปฏิบัติมรรคสี่ผู้ตั้งอยู่ในผลสี่บทว่าสัตตังประสัตถาได้แก่อันสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกและเทวดาและมนุษย์เหล่าอื่นสรรเสริญแล้ว เพราะเหตุไรเพราะประกอบด้วยคุณมีศีลที่เกิดร่วมกันเป็นต้นความจริงคุณทั้งหลายของสัตว์บุรุษเหล่านั้นมีศีลสมาธิเป็นต้นเกิดร่วมกันเหมือนสีและกลิ่นเป็นต้นที่เกิดร่วมกันของดอกจำปาและดอกพิกลเป็นต้นด้วยเหตุนั้นบุคคลเหล่านั้นจึงเป็นที่รักที่ต้องใจที่น่าสรรเสริญของสัตว์บุรุษทั้งหลาย เหมือนดอกไม้ ท, ทั้งหลายที่พร้อมด้วยสีและกลิ่นเป็นต้นเป็นที่รักที่ต้องใจน่าสรรเสริญของเทวนาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเยปุคลาอัถฐสตังปรสสัทธาอีกในยะหนึ่งสับว่าเยเป็นนิเทศไม่แน่นอนบทว่าปุคลาได้แก่สัตว์ทั้งหลายสั์ว่าอัฏสตัง เป็นการกำหนดจำนวนสัตว์เหล่านั้นจริงอยู่สัตว์เหล่านั้นได้แก่พระโสดาบันสามจำพวกคือเอกพิชีโกลังโกละและสัตตะตักขะตุป a r a m พระสกทาคามีสามพวกผู้บรรลุผลในการมาพบรูปพบและอรูปพบพระโสดาบันและพระสกทาคามีเหล่านั้นทั้งหมดมียี่สิบสี่พวก โดยปฏิปทาสีพระอนาคามีในเทพชั้นอวิหามีห้าพวกคืออันตราเปรินิพายีอุปหจจเปรินิพายี ส, สังขาระปรินิพายีอสังขาระปรินิพายีอุทธังโสโตโอัคนิถคามีพระอนาคามีในเทพชั้นอตบปาสุทัสสาสุทัสสีก็มีชั้นละห้าพวกเหมือนกัน ส่วนในเทพชันอากานิทะมีสี่พวกเว้นอุทังโสโตรวมพระอนาคามีมียี่สิบสี่พวกพระอรหันต์มีสองพวกคือสุขวิปัสสกะและสมัฏญาณิกพระอาริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคมีสี่พวกรวมเป็นพระอริยบุคคลห้าสิบสี่พวกพระอาริ ย, บ, คครรยบุคคลเหล่านั้นทั้งหมด คูณที่สองพวกคือฝ่ายศรัทธาธุระและฝ่ายปัญญาธุระรวมเป็นหนึ่งร้อยแปดพวกคำที่เหลือมีในยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นบทว่าจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติความว่าบุคคลที่ส่งยกอุเทศไว้โดยพิศดานว่าพระอริยบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดมีแปดพวกก็ดี ร้อแปดพวกก็ดีว่าโดยสังเขปพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมัติพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลรวมเป็นหนึ่งคู่อย่างนี้จนถึงพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมัติพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลรวมเป็นหนึ่งคู่รวมทั้งหมดเป็นสี่คู่สรรวะเตในบทว่าเตทัคคิเนยา เป็นสัพนิเทศอธิบายกำหนดแน่นอนซึ่งบทอุเทศที่ยกตั้งไว้ไม่แน่นอนบุคคลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้พิสดารว่ามีแปดพวกหรือหนึ่งร้อยแปดพวกสังเขตว่ามี4คีคู่แม้ทั้งหมดย่อมควรทักสินาเหตุนั้นจึงชื่อว่าทักขินเนยะทายธรรมที่บุคคล เชื่อกรรมและผลแห่งกรรมไม่คำนึงถึงว่าภิกษุรูปนี้จะทำกิจกรรมเป็นหมอยาหรือกิจกรรมรับใช้อันนี้แก่เราดังนี้เป็นต้นแล้วถวายชื่อว่าทักษินาบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นและบุคคลเหล่านี้ผู้เป็นเช่นนั้นชื่อว่าย่อมควรแกทักสินานั้นด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่าเททัคินเนยาบทว่าสุขัสตสสาวกาความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าสุขตเพราะทรงประกอบด้วยการเสด็จไปงดงามเพราะเสด็จไปสู่สถานที่อันงามเพราะเสด็จไปด้วยดีและเพราะตรัสดีเป็นสาวกของพระสุขตพระองค์นั้นท่านเหล่านั้นทั้งหมด ชื่อว่าสาวกเพราะฟังพระดำรัสคนอื่นๆถึงฟังก็จริงถึงเช่นนั้นเขาฟังแล้วก็ไม่ทากิจที่ควรทาส่วนท่านที่เป็นสาวกเหล่านี้ฟังแล้วทำกิจที่ควรทำปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบรรลุมากผลเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงตรัสเรียกว่าสาวก บทว่าเอเตสุทินานิมหัพลานิความว่าท่านทั้งหลายแม้เล็กน้อยที่ถวายในสาวกของพระตถาคตเหล่านั้นชื่อว่ามีผลมากเพราะเป็นทานที่เข้าถึงความเป็นทักษินาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้แม้ในสูตรอื่นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงคือคณะ มีประมาณเพียงใดคือสงสาวกของพระตถาคตกล่าวกันว่าเป็นเลิศของสงคณะเหล่านั้นคือสงสี่คู่แปดบุคคลนี่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นวิบากอันเลิศพระผู้มีพระภาคเจ้ารั้นตรัสคุณของสังขารรัตนะโดยพระผู้ตั้งอยู่ในมรรคพระผู้ตั้งอยู่ในผลทั้งหมดอย่างนี้แล้ว บัดนี้ทรงอาศัยคุนนั้นนั่นแหลจึงทรงประกอบสัจจวัจนาวา่าอิธรรมปิสังเครัตนังประนีตังแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีในพระสงฆ์ความของสัจจวัจนานั้นก็พึงทราบตามในยาที่กล่าวมาก่อนนั่นแหลพวกอ ม, มนุษย์ในแสนกฎกับพากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคถาแม้ น, นี้แหละ อนนาค า, าถาว่าเยสุปยุตตาพระผู้มีพระภาคเจ้ากรรตรัสจาวจนะด้วยคุณของสังขารัตนะโดยพระผู้ตั้งอยู่ในมรรคและพระผู้ตั้งอยู่ในผลอย่างนี้แล้วบัดนี้จึงเริ่มตรัสด้วยคุณของพระกีนาสวับุคคลทั้งหลายผู้สวยสุขในภะสมาบัตรบางเหล่าเท่านั้นว่าเยสุปยุตตาเป็นต้นในคํานั้น คำว่าเยเป็นคำอุทิ์ที่ไม่แน่นอนบทว่าสุปยุตตาแปลว่าประกอบดีแล้วอธิบายว่าลักอเนสนาการสแสวงหาที่ไม่สมควรหลายอย่างเสร็จแล้วอาศัยการเลี้ยงชีวิตที่บริสุทธิ์เริ่มประกอบตอนไว้ในวิปัสสนาอีกในย่าหนึ่งบทว่าสุปยุตตาได้แก่ประกอบด้วยกายประโยค แล้ววจีประโยคอันหมดจดดีทรงแสดงศีลขันของพระขีณาสวะบุคคลเหล่านั้นด้วยบทว่าสุปยุตตานั้นบทว่ามณสาทันเฮนะได้แก่ด้วยใจที่หนักแน่นอธิบายว่าด้วยใจอันประกอบด้วยสมาธิที่มั่นคงทรงแสดงสมาธิขันของพระขีณาสวะบุคคลเหล่านั้น ด้วยบทว่ามันน่าสาทันเหนะนั้นบทว่านิกามิโนได้แก่เป็นผู้ไม่อาลัยในกายและชีวิตมีความพยายามออกจากกิเลสทั้งปวงอันผู้มีปัญญาเป็นธุระกระทําแล้วด้วยความเพียรทรงแสดงปัญญาขันที่ประกอบด้วยความเพียรของพระขี่นาสวะบุคคลเหล่านั้นด้วยบทว่านิกามิโนนั้น บทว่าโคตมะาศาสนาหิได้แก่ในศาสนาของพระตถาคตผู้มีพระนามวโคดมโดยพระโคดนั่นแหละด้วยบทว่าโคตมะาศาสนาหินั้นทรงแสดงว่าพวกคนนอกศาสนานี้ผู้ทาตบะเพื่อเท พ, พเจ้าแม้มีประการต่างๆก็ไม่มีความพยายามออกจากกิเลสทั้งหลายเพราะไม่มีคุณ คือความประกอบอย่างดีเป็นต้นคำว่าเตเป็นคำอธิบายอุเทศที่ตั้งไว้ก่อนในคำว่าปฏิปัตตานี้คุณควรบรรลุเหตุนั้นจึงชื่อว่าปฏิคุณที่ควรบรรลุซึ่งบุคคลบรรลุแล้วจะเป็นผู้เกษมปลอดจากโยคะสิ้นเชิงชื่อว่าปัตตพา คำนี้เป็นชื่อของพระอารหาัตผลผู้บรรลุคุณที่ควรบรรลุนั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าปฏิปัตตาบทว่าอมตังได้แก่พระนิพพานบทว่าวิไคหะได้แก่เข้าถึงโดยอารมณ์บทว่าลัทธาแปลว่าได้แล้วบทว่ามุทาได้แก่โดยไม่มีค่า คือไม่ทำฆ่าแม้เพียงกากระ น, นึกหนึ่งบทว่านิพุติงได้แก่ภละสมาบัติที่ระงรับความกระวนกระวายด้วยอำนาจกิเลสเสียแล้วบทว่าคุณชมานาได้แก่เสเวย อ, อยู่ท่านอธิบายววาอย่างไรท่านอธิบายว่าชนเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมนี้ชื่อว่าประกอบดีแล้วเพราะถึงพร้อมด้วยศีล ชื่อว่ามีใจหนักแน่นเพราะถึงพร้อมด้วยสมาธิชื่อว่าไร้ความอาลัยเพราะถึงพร้อมด้วยปัญญาชนเหล่านั้นก็เข้าถึงองมะตะด้วยสัมมาปฏิบัตินี้เป็นผู้ได้ปล่าเปล่ า, เ, ลาเสวยความดับซึ่งเข้าใจได้ว่าพระสมมาบัติชื่อว่าเป็นผู้บรรลุคุณที่ควรบรรลุ พระผู้มีพระภาคเจ้ารันตรสัสคุณของสังฆารัตนะโดยพระขี่นาสวะบุคคลผู้สวยพราสมาบัตดอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแลจึงทรงประกอบสัจจวัจนะว่าอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ความแห่งสัจจวัจนะนั้นพึงทราบตามเนย้อที่กล่าวก่อนแล้ว พวกอ ม, มนุษย์ในแสนโกศจักรวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถาแม้นี้แหละภานนาคาถาว่ายะทินทัขีโลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจะวจนะมีสังคารตนะเป็นที่ตั้งโดยขีณาสวะบุคคลอย่างนี้แล้ว ทรงเริ่มตรัสโดยคุณของพระโสดาบันท่อนนั้นว่ายาถินทัีโลเป็นต้นในคำนั้นบทว่ายถาเป็นคำอุปมาคำว่าอินทขีโลนี้เป็นชื่อของเสาไม้แก่นที่เขาตอกจมดินแปดศอกหรือสิบศอกภายในธรณีประตูเพื่อป้องกันประตูพระนครบทว่าปัตทวิง แปลว่าแผ่นดินบทว่าสิโตได้แก่เข้าไปอาศัยอยู่ข้างในบทว่าสียาแปลว่าพึงเป็นบทว่าจตุพีวาเตหิแปลว่าอันลมที่พัดมาแต่สีทิศบทว่าอสาัามปิกรมปโยได้แก่ไม่อาจให้ไหวหรือขยับเ ข, ขยื้อนได้ บทว่าตถูปมังแปลว่าเหมือนฉันนั้นบทว่าสัพุริสังได้แก่บุรุษสูงสุดบทว่าวทามิแปลว่ากล่าวบทว่าอยู่อริยสั จ, จานิตอเวจจะปสติแปลว่าผู้ใดอย่างเห็นอริยสัจสด้วยปัญญาในข้อนั้น อริยสัตว์ทั้งหลายพึงทราบตามในยาที่กลา่าวไว้แล้วในกุมารปัญหาและคำพีวิสุทธิ์มักนั่นแหละส่วนความสังเกตในข้อนี้มีดังนี้เหมือนอย่างว่าเสาเขื่อนจมติดดินเพราะมีรากลึกลมพัดมาสีทิศก็พึงให้ไหวไม่ได้ฉันใดสัตบุรุษใดอย่างเห็นอริยสัตว์เรากล่าวสัตบุรุษแม้นี้อุปมาฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสัตบุรุษแม้นั้นเป็นผู้อันลมคือวาทะของดีรทีทั้งปวงทําให้ไหวไม่ได้คือใครๆก็ไม่อาจให้ไหวหรือเขยื่อนจากทัศน์นั้นได้เหมือนเสาเขื่อนอันลมพัดมาสีทิศทําให้ไหวไม่ได้ฉนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้แม้ในโสดภ์อื่นว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายเสาเหล็กหรือเสาเขื่อนลงรากลึกฝังยังดีไม่หวั่นไม่ไหวแม้หากว่าลมฝนแรงกล้าพัดมาด้านทิศบุรพาก็ไม่พึงหวั่นไม่พึงไหวไม่พึงขยับขยื่นแม้หากว่าลมฝนแรงกล้าพัดมาด้านทิศปัดชิมทิศทักษิณ ท, ทิศอุดรก็ไม่พึงหวั่นไม่พึงไหวไม่พึงขยับขยื่นเพราะเหตุไร เพราะลงรากลึกเพราะเสาเขื่อนฟังไว้ดีแล้วฉันใดดูกรทิศสูตรทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ความเป็นจริงว่านี้ทุกข์จนถึงนี้ทุกขันิโรธัาคาม่มีปฏิปทาสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นย่อมไม่ตรวจดูหน้าของสมณะหรือพราหมลอื่นว่าท่านเมื่อรู้ก็รู้รเมื่อเห็นก็เห็นอย่างนี้แน่นอน ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะอริยสัจสี่สมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้นเห็นอย่างดีแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัตคุณของสังฆรัตนะโดยอำนาจของพระโสดาบันที่ประจักษ์แก่คนเป็นอันมากเท่านั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นละ่ะ จึงทรงประกอบสัจจะวจนะว่าอิทัมปิสังเครัตานังปณนีตังแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีในพระสงฆ์ความของสัจจะวจนะนั้นพึงทราบตามในยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแหละพวกอมนุษย์ในสารกตจักรวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคถาแม้นี้แหละ อนนาคาถาว่าเยอริยสัจจานิพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวัจนะอันมีสังขารัตนะเป็นที่ตั้งด้วยคุณของพระโสดาบันโดยไม่แปลกันอย่างนี้แล้วบัด น, นี้จึงทรงเริ่มตรัสว่าเยอริยสัจจานิเป็นต้นด้วยคุณของพระโสดาบันสตักขตตุประมะน้องน้อยของพระโสดาบันทั้งหมด บรรดาพระโสดาบันสามประเภทคือเอกะพิชีโกลังโกละสัตตะขัตตุปะร ะ, ะเหมือนที่ตรัสไว้ว่าบุคคลบางคนในพระศาสนานี้ย่อมชื่อว่าโสดาบันเพราะสิ้นสังงยศสามโสดาบันนั้นบังเกิดพบเดียวเท่านั้นก็ทำที่สุดทุกนี้ชื่อเอกภพิชีโสดาบันท่องเที่ยวอยู่สองหรือสามตระกูลก็เหมือนกัน ยอมทำที่สุดทุกได้นี้ชื่อโกลังโกละโสดาบันยังวินว้ตายเกิดอยู่ในเทวดาและมนุษย์เจ็ครั้งก็เหมือนกันยอมทำที่สุดทุกได้นี่ชื่อสัตตัดขัตตุประมะในคำนั้นคำว่าเยอริยาสัจจานินี่มีในยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นบทว่าวิภายะยันติ ได้แก่กำจัดความมืดคือกิเลสอันปกปิดสัจจะแล้วทำให้แจ่มแจ้งปรากฏแก่ตนด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาบทว่าคำภีระปัญเยนะได้แก่อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระปัญญามีกำลังซึ่งใครๆไม่ได้ด้วยญาณของโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกด้วยพระปัญญาที่หาประมาณมิได้ท่านอธิบายว่า ผู้เป็นสัพพัญยูบทว่าสุเทศิตานี้ได้แก่ทรงแสดงด้วยดีด้วยในยะนั้นๆมีสมาสนนยะอภพยาสนนยะสาการและในยะเวกันยะในยะเป็นต้นบทว่ากินจาปิเตโหนติผู้สัปปมัตตาความว่าบุคคลทั้งหลายผู้อบรมอริยสัจแล้วเหล่านั้น อาศัยฐานะแห่งความประมาทมีความเป็นเทวราชและความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นเป็นผู้ประมาทอย่างร้ายแรงก็จริงถึงเช่นนั้นนามรูปใดพึงตั้งอยู่เพราะวิญญาณที่โสดาปฏิมาขยานปรุงแต่งดับไปแล้วเกิดในสังสารวัฏที่มีเบื้องต้นเบื้องปลายตามไปไม่รู้แล้วถึงเจ็ดภพก็มิถือเอาภพที่แปดเพราะนามรูปนั้นดับไป เกาะตั้งอยู่ไม่ได้แต่ในภพที่เจ็ดนั่นเองก็จะเริ่มวิปัสสนาและบรรลุพระอระหัสต์พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของสังขารัตนะโดยพระโสดาบันสักตักขัตตุประมะอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแหละจึงทรงประกอบสัจจะวัจนะว่าอิ ท, ทามปีสังเครัตนางปณีตัง แม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ความของสัจจวัจนะนั้นพึ่งทราบตามในยาที่ีกล่ามาก่อนแล้วนั่นแหละพวกอมนุษย์ในแสนโกศวานก็พากันยอมรับพุทธอาศยาแห่งพระกาถานี้แหละพัรนาค า, าถาว่าสหาวัสะ พระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัสัจจาวัจนะมีสังฆารัตนะเป็นที่ตั้งด้วยคุณคือการไม่ถือเอาภพที่แปดของพระโสดาบันสัตตะขัตตุป a มะอย่างนี้แล้วบัดนี้จึงเริ่มตรัสว่าสหาวสสะเป็นต้นด้วยคุณของพระโสดาบันสัตตะขัตตุปรม a นั้นนั่นแหละแม้จะถือภพเจ็ดภพซึ่งแปลกจากบุคคลอื่นๆที่ยังละการถือภพไม่ได้ ในคำนั้นบทว่าสหาวะแปลว่าพร้อมกับบทว่าอัฏฐะได้แก่ของบรรดาพระโสดาบันที่ตรัสว่าพระโสดาบันเหล่านั้นไม่ถือเอาพบที่แปดพบใดพบหนึ่งบทว่าทัศนะสัมปทานะได้แก่ด้วยความถึงพร้อมแห่งโสดาปฏิมัติจริงอยู่โสดาปฏิมัติ เห็นพระนิพานแล้วท่านจึงเรียกว่าทัศนะเพราะเห็นพระนิพานก่อนธรรมะทั้งปวงด้วยความถึงพร้อมแห่งกิจที่ควรทำความปรากฏแห่งโสดาปติมากนั้นอยู่ในตนชื่อว่าทัศนะสัมปทาพร้อมด้วยทัศนะสัมปทานั้นนั่นแหละศัพทวสุในคำว่าสัจยสุธรรมาชิตาภวันตินี้เป็นนิบาท ลงในอัฏฐะสักว่าธรรมบทให้เต็มเหมือนในประโยคเป็นต้นว่าอีทางสุเมสารีปุตตะมหาวิกตะโภชนาสิงโหติดูก่อนสารีบุตรนี้แหละเป็นการฉันอาหารแบบมหาวิกัตของเราหละ่ะในข้อนี้มีความอย่างนี้ว่ารอยเหตุว่าธรรมดาสังยวดเบื้องต่ำสามย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้ว เป็นอันละแล้วพร้อมด้วยทัศนสัมปทาของพระโสดาบันนั้นบัดนี้เพื่อทรงแสดงธรรมะที่พระโสดาบันละได้แล้วจึงตรัสว่าสักยญทิฏฐิวิจิกิจิตันจากศิลปะตังวาปิญาทัติกิจิในธรรมะสามอย่างนั้นเมื่อกายยังมีอยู่ทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบในกายที่เรียกว่า ปาทานนขันห้าที่มีอยู่ชื่อว่าสักยทิฏฐิหรือว่าเมื่อกายยังมีอย <|so|> ู่ทิฏฐิความเห็นในกายนั้นแม้เพราะเหตุนั้นชื่อว่าสักยทิฏฐิอธิบายว่าทิฏฐิที่มีอยู่ในกายตามที่กล่าวมาแล้วหรือทิฏฐิความเห็นในกายที่มีอยู่นั่นแลแม้เพราะเหตุนั้นชื่อว่าสักยะทิฏฐิ อธิบายว่าทิฏฐิในกายตามที่กล่าวมาแล้วอันมีอยู่ซึ่งเป็นไปอย่างนี้ว่าอัตตากล่าวคือรูปเป็นต้นทิฏฐิทั้งปวงย่อมเป็นอันพระโสดาบันละแล้วทั้งนั้นเพราะละสักยทิฏฐินั้นได้แล้วด้วยว่าสักยทิฏฐินั้นเป็นมูลรากของธรรมะคือกิเลสเหล่านั้น ปัญญาท่านเรียกว่าจิกิจิตะเพราะระงับพยาธิคือกิเลสทั้งปวงปัญญาจิกิจิตะปัญญาแก้ไขนั้นไปปราดแล้วจากสิ่งนี้หรือสิ่งนี้ไปปราดแล้วจากปัญญาจิกิจิตะนั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิจิกิจิตะคำนี้เป็นชื่อของความสงสัยที่มีวัตถุแปด ที่ตรัสไว้โดยนัยยะเป็นต้นว่าสงสัยในพระศาสดาความสงสัยแม้ทั้งหมดเป็นอันละได้แล้วก็เพราะละวิจิกิจฉานั้นได้แล้วจริงอยู่ความสงสัยนั้นเป็นมูลรากของกิเลสเหล่านั้นศีลต่างอย่างมีโคศีลศีลวัวกุุราศีลศีลสุนัขเป็นต้น ละวัดมีโควัดและกุกราวัดเป็นต้นที่มาในบาลีประเทศเป็นต้นอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์ภายนอกพระศาสนานี้ถือความบริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยวัดเรียกว่าศีละวัดตะบะเพื่อเทพเจ้ามีความเปลือยกายเป็นต้นแม้ทุกอย่างเป็นอันละได้แล้วก็เพราะละศีละวัดนั้นจริงอยู่ศีลวัดนั้น เป็นมูลราบของตบะนั้นด้วยเหตุนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ท้ายคถาทั้งหมดว่ายะทัติกินจิอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่พึงทราบว่าบรรดาสังโยชน์เบื้องต่ำสามนั้นสักยทิฏฐิจะละได้ก็ด้วยความถึงพร้อมด้วยการเห็นทุกขวิจิกิจชาจะละได้ก็ด้วยความถึงพร้อมด้วยการเห็นสมุทยัย ศิลปตาปรามาจะละได้ก็ด้วยความถึงพร้อมด้วยการเห็นมรรคและการเห็นพระ น, นิพพานพันนาคาถาว่าจะตูหักตาเยหิพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงการละกิเลสวัต ร, รของพระโสดาบันนั้นอย่างนี้แล้ว บัด น, นี้เมื่อกิเลสวัสดนั้นมีอยู่วิปากวัฏใดพึงมีเมื่อทรงแสดงการละวิปากวัฏแม้นั้นเพราะละกิเลสวัสดนั้นได้จึงตรัสว่าจตุหตปปาเยยหิจวิปมุตโตในคำนั้นชื่อว่าอบายมีสีคือนิระยะหรือนรกติรชานะเดรชานเปตะติวิสยะหรือเปรต และอสุรกายณะอสุรกายอธิบายว่าพระโสดาบันนั้นแม้ยังถือพบเจ็ดก็หลุดพ้นจากอบายทั้งสี่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครันทร ง, งแสดงการละวิปากวัฏของพระโสดาบาันนั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้กรรมวัฏใดเป็นมูลรากของวิปากวัฏนี้เมื่อทรงแสดงการละกรรมวัฏแม้นั้น จึงตรัสว่าจากจ่าพิธานานิอัพโภกาตุงแปลว่าและไม่ควรทำอภิฐานะหกในคํานั้นบดว่าอภิธานานิได้แก่ฐานะอันหยาบพระโสดาบันนั้นไม่ควรทําอภิฐานะนั้นก็อภิฐานะเหล่านั้นพึงทราบว่ากรรมคือมาตุคาต ข้ามานดาปิตุคาตข้าบิดาอารหันตฆาตข้าพระอระหันโลหิตตุ บ, บาทําโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อสังฆเพศทําสงให้แตกกันอญญาสัทธารุทเทศนับถือศาสนาอื่นคือเขารีดซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในเอกานิบาตอังคุตระนิกายโดยนิยเป็นต้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิจะพึงโรงชีวิตมารดานั้นไม่เป็นฐานะไม่เป็นโอกาสคือเป็นไปไม่ได้จริงอยู่อริยาสาวกพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่พึงโปรงชีวิตแม้แต่มดดำมดแดงก็จริงถึงอย่างนั้นอภิฐานะหกนั้น ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าสนัดไว้ก็เพื่อตำหนิภาวะแห่งปุถุชนแท้จริงปุถุชนย่อมทำแม้อภิฐานะซึ่งมีโทษมากอย่างนี้ได้ก็เพราะไม่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิส่วนพระโสดาบันผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่ควรจะทำอภิฐานะเหล่านั้นส่วนการใช้อภพศัษท์ในที่นี้ก็เพื่อแสดงว่า พระโสดาบันไม่ทำแม้ในภพอื่นความจริงแม้ในภพอื่นพระโสดาบันก็ไม่รู้ว่าตนเป็นอริยาสาวกโดยธรรมดานั่นเองก็ไม่ทำบาปหกอย่างนั้นหรือทำเวรห้ามีปานาติบาตเป็นต้นหรือถึงฐานะหกพร้อมกับการนับถือศาสดาอื่นซึ่งอาจารย์บางพวกหมายถึงแล้วกล่าวว่าฉะจาพิฐานานิ ดังนี้ก็มีก็พระอริยสาวกและเด็กชาวบ้านผู้จับปลาตายเป็นต้นเป็นตัวอย่างในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของอริยสาวกแม้ยังถือภพเจ็ดอยู่ซึ่งเป็นสังขารตนะโดยคุณที่แปลกจากบุคคลอื่นๆที่ยังละการถือภพไม่ได้อย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นล่ะ สิ่งทรงประกอบสัจจวจนว่าอิธรรมปิสังเครตนังปณีตังแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันปราณีในพระสงค์นั้นความของสัจจวัจนนนั้นพึงทราบโดยนัยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแหลพวกอมนุษย์ในแสนโกฏจักรวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระกาถานี้แหละ อันนาคาถาว่ากินจาปิโสพระผู้มีพระภาเจ้าครันตรัสสัจวัชนะมีสังครัตนะเป็นที่ตั้งโดยที่ปลกจากบุคคลอื่นที่ยังละการถือพบไม่ได้ของพระโสดาบันแม้ยังถือพบเจ็ดพบอย่างนี้แล้วบัดนี้พระโสดาบันพูดถึงพร้อมด้วยทัศนะไม่ใช่ไม่ควรทำอภิธานะหกอย่างเดียวก็หาไม่ ทั้งยังไม่ควรทำบาป ก, กรรมแม้เล็กน้อยอะไรอะไรแล้วปกปิดบาป ก, กรรมนั้นด้วยดังนั้นจึงทรงเริ่มตรัสโดยคุณคือพระโสดาบันพูดถึงพร้อมด้วยทัศนะแม้อยู่ด้วยความประมาทก็ไม่มีการปกปิดกรรมที่ทำมาแล้วว่ากินจาปิโสกรรมมังกรติปาปกังพระโสดาบันนั้นแม้ทำบาป ก, กรรมก็จริง พระดำรดนั้นมีความดังนี้ถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นถึงพร้อมด้วยทัศนะอาศัยการอยู่อย่างประมาทด้วยหลงลืมสติเว้นสิกขาบทที่เป็นโลกาวัชชะซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงการจงใจล่วงละเมิดตรัสไว้ว่าสิกขาบทใดเราบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายยอมไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทนั้นของเรา แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตดังนี้ย่อมทําบาปกรรมอย่างอื่นทางกายซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรังเกียจกล่าวคือการล่วงละเมิดสิกขาบทที่เป็นปนนติวัชชะมีกุติการะศิกขาบทและสะหเสยยะสิกขาบทเป็นต้นก็ดีทำบาปกรรมทางวาจามีสอนธรรมะแกะอนุปสัมบัณว่าพร้อมกัน แสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าหรือหกคำการพูดเพ้อเจ้อพูดคำอยากเป็นต้นก็ดีทำบาปกรรมทางใจไม่ว่าในที่ไหนไหนคือการทำให้เกิดโลภะโทสะการยินดีทองเป็นต้นการไม่พิจารณาเป็นต้นในการบริโภคชีวรเป็นอาทิกก็ดีพระโสดาบันนั้นก็ไม่ควรปกปิดบาปกรรมนั้น คือพระโสดาบันนั้นรู้ว่ากรรมนี้ไม่สมควรไม่ควรทำไม่ปกปิดบาปกรรมนั้นแม้แต่ครู่เดียวในทันใดนั้นเองก็กระทำให้แจ้งคือเปิดเผยในพระสาสดาหรือในเพื่อนสัพรมาจารีผู้เป็นวินยูชนแล้วกระทำคืนตามธรรมหรือระวังข้อที่ควรระวังอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจากไม่ทำอีกเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความที่พระโสดาบรนผู้เห็นบทคือพระนิพพานแล้วไม่ควรปกปิดบาป ก, กรรมอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความที่บุคคลผู้เห็นบทคือพระนิพพานผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะไม่ควรที่จะทำบาป ก, กรรมแม้เห็นปานนั้นแล้วปกปิดบาป ก, กรรมนั้นไว้ตรัสไว้อย่างไร ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเด็กยาวอ่อนนอนงายเอามือเอาเท้าเหยียบฐานไฟย่อมหดกลับจับพลันชั้นใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายถึงแม้ว่าพระโสดาบันต้องอาบัตเห็นปานนั้นการออกจากอาบัตเห็นปานนั้นย่อมปรากฏที่นั้นแหละพระโสดาบันย่อมรีบแสดงเปิดเผยทำให้ง่ายในพระศาสดา หรือในเพื่อนสัพรมมจารีผู้เป็นวินยูชนครั้นแล้วก็สำรวมระวังต่อไปนี้เป็นธรรมดาของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของสังคารัตนะด้วยคุณของพระโสดาบันแม้อยู่ด้วยความประมาทแต่ก็ถึงพร้อมด้วยทัศนะไม่มีการปกปิดบาปการรมที่ทำแล้วอย่างนี้แล้ว บัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแหลจึงทรงประกอบสัจจะวจนะว่าอิธรรมปีสังเครตนังปณิตังแม่อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประนีในพระสงฆ์ความของสัจจะวจนะนั้นพึงทราบตามในยาที่กล่าวมาก่อนแล้วทั้งนั้นพวกอนมนุษย์ในแสนโกศกวาลก็พากันยอมรับพุทธอาสยาแห่งพระคถ า, านี้แล พันนาคาถาว่าวานับประคุมเพพระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัสสัจจะวจนะมีสังขารัตนะเป็นที่ตั้งโดยประการแห่งคุณนั้นๆของบุคคลทั้งหลายที่เนื่องอยู่ในพระสงฆ์อย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยพระปริยติธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงคุณพระรัตนะตร ก็ทรงแสดงอย่างสังเขปในที่นี้และทรงแสดงไว้พิสดารในที่อื่นจึงทรงเริ่มตรัสสัจจวัตนะมีพระพุทธรัตนะเป็นที่ตั้งอีกว่าว่า น, นับปะคุมเพยัฐาพุตสิตาเตในสัจจวัตนะนั้นกลุ่มต้นไม้ที่กาหนดด้วยถิ่นที่อยู่ประจำอันใกล้ชื่อว่าวนณะคือป่า พุ่มไม้ที่งอกงามด้วยรากแก่นกระพี้เปลือกกิ่งและใบชื่อว่าปะคุมภาพุ่มไม้ที่งอกงามของป่าหรือในปา่าชื่อว่าวณัปปะคุมโพพุ่มไม้ที่งอกงามในป่านี้นั้นท่านเรียกว่าวนัปปะคุมเพเมื่อเป็นดังนี้ก็เรียกได้ว่าวณสันทะคือราวปา่า เหมนในประโยคเป็นต้นว่าอติสวิตตะกะกัสวิจารเรอัติอวิตตะ ก, กะวิจารามัเตสุขเเทุกเเคชีเวมีวิตกมีวิจารก็มีไม่มีวิตกมีวิจารก็มีชีพเป็นสุขเป็นทุกข์คําว่ายถาเป็นคําอุปมายอดของพุ่มไม้นั้นบานแล้วเหตุนั้นพุ่มไม้นั้น ถึง ช, ชื่อว่ามียอดบานแล้วอธิบายว่าดอกไม้ที่เกิดเองที่กิ่งใหญ่กิ่งน้อยทุกกิ่งดอกไม้นั้นท่านกล่าวว่ามียอดอันบานแล้วตามนัยยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแหละบทว่าคิมหานะมาเสฟปัต ม, มิส밍คิมเหความว่าในเดือนหนึ่งแห่งเดือนในฤดูคิมหันสี่เดือน ถ้าจะถามว่าในเดือนไหนตอบว่าในฤดูคิมหันเดือนต้นอนธิบายว่าในเดือนจิตธรมาตเดือนห้าจริงอยู่เดือนจิตธรมารนั้นท่านเรียกว่าเดือนต้นฤดูคิมหันแล้วว่าฤดูวัฏสานะอ่อนๆคำนอกจากนั้นปรากฏชัดโดยอัถะแห่งบทลาวทั้งนั้นส่วนความรวมในคำนี้มีดังนี้ว่า พุ่มไม้ที่งอกงามมีนามเรียกว่าก่อไม้รุ่นยอดจริงมีดอกบานสะพรัง่งย่อมสง่างามอย่างเหลือเกินในป่าที่รกชัดด้วยต้นไม้นาน า, นาชนิดในฤดูวอสันอ่อ น, ออนที่มีชื่อว่าเดือนต้นฤดูขิมหันฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้ามิใช่ทรงแสดงเพราะเห็นแก่ลาบมิใช่ทรงแสดงเพราะเห็นแก่สักการะเป็นต้น หากแต่มีพระหริยไยอันพระมหากรุณาให้ทรงขมัดขเม้นอย่างเดียวได้ทรงแสดงพระปริยัติธรรมอันประเสริฐที่ชื่อว่ามีอุปมาเหมือนอย่างนั้นเพราะสง่างามอย่างยิ่งด้วยดอกไม้คือประเภทแห่งอัฏฐ น, นานาประการมีขันอายตนะเป็นต้นก็มีมีสติปัฏฐานและสมปะปัฏานเป็นต้นก็มีมีศีลขันสมาธิขันเป็นต้นก็มี ชื่อว่าให้ถึงพระนิพพานเพราะแสดงมักอันให้ถึงพระนิพพานเพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันส่วนในคำว่าปรารมังหิตายะท่านลงนิขหิตก็เพื่อสะดวกแก่การผูกคถาส่วนความมีดังนี้ว่าได้ทรงแสดงเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือเพื่อพระนิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสพระปริยัติธรรมที่เสมือนพุ่มไม้งามในปา่าที่ยอดกิ่งออกดอกบานสะพรั่งอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยพระปริยัติธรรมนั้นนั่นแหละจึงทรงประกอบสัจจวัจนะที่มีพุทธรัตนะเป็นที่ตั้งว่าอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ความแห่งสั จ, จวัชนนั้นพึงทราบตามเนยยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแหละแต่พึงประกอบความอย่างเดียวอย่างนี้ว่าคุนชาติกล่าวคือพระปริยติธรรมมีประการตามที่กล่าวมาแล้วแม้นี้ก็เป็นรัตนอันปราณีตในพระพุทธเจ้าพวกมนุษย์ในแสนโกศจักรวาลก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคถานี้แล อนนาคาถาว่าวาโรวรัญยูรพระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรสัจจวัชนะที่มีพุทธรัตนเป็นที่ตั้งด้วยป ร, ริยัติธรรมอย่างนี้แล้วบัดนี้จึงทรงเริ่มตรัสด้วยโลกุธรรธรรมว่าวาโรวรัญยูในคำนั้นบทว่าวาโรความว่า พระพุทธเจ้าผู้อันผู้มีอธัธยาศัยน้อมใจเชื่อที่ประณีตปรารถนาว่าโอ๋นอแม้เราก็จักเป็นเช่นนี้หรือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดประเสริฐสุดเพราะประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐบทว่าว่ารันอยู่ได้แก่ผู้ทรงรู้พระนิพพานจริงอยู่พระนิพพานชื่อว่าประเสริฐ เพราะอัถฐว่าสูงสุดกว่าธรรมะทั้งปวงก็พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรูปร้ปลุกโรงซึ่งพระนิพพานนั้นที่โคนโพธิพฤกษ์ด้วยพระองค์เองบทว่าวะระโทความว่าประธานธรรมะอันประเสริฐที่เป็นส่วนตรัสรู้และส่วนที่อบรมบ่มบารมีแก่สาวกทั้งหลายมีพระปัญจวัคคีพระพัทจวัคคีราชดินเป็นต้น และแก่เทวด า, าและมนุษย์อื่นๆบทว่าว่าราหโรได้แก่ที่เรียกว่าว่าราหารโเพราะทรงนำมาซึ่งมักอันประเสริฐจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามทีปังกรทรงนำมาซึ่งมักอันประเสริฐเก่าๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ก่อนๆทรงดำเนินมาแล้ว ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงถูกเรียกว่าวราหโรผู้นำมาซึ่งมัจอันประเสริฐอันหนึ่งพระพุทธเจ้าชื่อว่าวรโรที่แปลว่าผู้ประเสริฐเพราะทรงได้พระสัพพัญยุตยานชื่อว่าวรันยูผู้รู้ธรรมะอันประเสริฐเพราะทรงทำให้แจ้งพระนิพพานชื่อวาวราโทผู้ประธานธรรมะอันประเสริฐ เาประธานวิมุตติสุขแก่สัตว์ทั้งหลายชื่อว่าวราหโรผู้นำมาซึ่งมรรคอันประเสริฐเพราะทรงนำมาซึ่งปฏิปทาสูงสุดชื่อว่าอนุตโรยอดเยี่ยมเพราะไม่มีคุณอะไรอะไรที่ยิ่งกว่าโลกุตระคุณเหล่านั้นมีนัยยะอื่นอีกว่าชื่อว่าวโรเพราะสรงบริบูรณ์ด้วยอธิทานธรรมคืออุปสมะ ความสงบระงับชื่อว่าวรันยูเราะทรงบริบูรณ์ด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาความรอบรู้ชื่อวาวรโธเพราะทรงบริบูรณ์ด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะความสละชื่อว่าวราฮโรเราะทรงบริบูรณ์ด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะความจริงใจทรงนำมาซึ่งมักอันประเสรศิฐ อันหนึ่งชื่อว่าวโรเพราะทรงอาศัยบุญชื่อว่าวารัญญูก็เพราะทรงอาศัยบุญชื่อว่าวรโทเพราะทรงมอบอุบายแห่งบุญนั้นแก่ผู้ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าวาราหารโธเพราะทรงนำมาซึ่งอุบายแห่งบุญนั้นแก่ผู้ต้องการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอนุตตโร เพราะไม่มีผู้เสมอเหมือนในธรรมนั้นๆหรือเพราะเป็นผู้ไม่มีอาจารย์แต่กลับเป็นอาจารย์ของคนอื่นๆด้วยพระองค์เองได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐและทรงแสดงธรรมอันประเสริฐที่ประกอบด้วยคุณมีธรรมะที่ตรัส ด, ดีแล้วเป็นต้นเพื่อผลนั้นแก่ผู้ต้องการเป็นสาวกคําที่เหลือมีเนยยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นตรัสคุณของพระองค์ด้วยโลกุจรธรรมเก้าประการอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแหลจึงทรงประกอบสัจจวัจนะว่าอิทัรรมปิพุทเทเป็นต้นความของสัจจวัจนะนั้นพึงทราบตามในยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแต่พึงประกอบความอย่างเดียวอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้โลกุจรธรรมอันประเสริฐได้ด้วย ได้ประทานโลกุธรธรรมได้ด้วยทรงนำมาซึ่งโลกุธรธรรมได้ด้วยทรงแสดงโลกุธรธรรมได้ด้วยแม้อันนี้ก็เป็นรัตนอันตระนีดในพระพุทธเจ้าพวกอมนุษย์ในสารโกรจักรวาลก็พากันยอมรับพุทธอาสยาแห่งพระคถานี้แหลพันานาคถาว่าขีนัง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยปริยัติธรรมและโลกุตระธรรมแล้วตรัสสัจจวัจจนะมีพุทธรัตนะเป็นที่ตั้งด้วยสองคาถาอย่างนี้แล้วบัด น, นี้ทรงอาศัยคุณคือการบรรลุอนุ ป, ปาทิเศสนิพานของพระสาวกทั้งหลายซึ่งได้สดับปริยัติธรรมนั้นและปฏิบัติตามแนวที่ได้สดับมาแล้วได้บรรลุโลกุตรธรรมทั้ง9้าประการจึงทรงเริ่มตรัสสัจจวัจนะ สังฆรัตนะเป็นที่ตั้งอีกว่าขีนางปุรานังในสัจจวัจนะนั้นบทว่าขีนางได้แก่ตัดขาดบทว่าปุรานังแปละว่าเก่าบทว่านาวังได้แก่ในบัดนี้ที่กําลังเป็นไปคือปัจจุบันบทว่านัตถิสัมภวังได้แก่ความปรากฏคือเกิดไม่มี บทว่าวิรัตจิตตาได้แก่มีจิตปราศจากราคะบทว่าอายติเกภวสงได้แก่ในพบใหม่ในอนาคตการบทว่าเตได้แก่ภิกษุขีณาศพที่สิ้นกรรมพบเก่าไม่มีกรรมพบใหม่และมีจิตปราศจากกำหนัดในพบต่อไปบทว่าขีณาีชา ได้แก่ผู้มีพืชถูกถอนแล้วบทว่าอาวิรุณหิชันทาได้แก่ผู้เว้นจากชันทะที่งอกได้นิพพานติได้แก่สิ้นไปบทว่าทีราได้แก่ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาชื่อทิติบทว่ายะายมปทีโตแปลว่าเหมือนประทีปดวงนี้ ท่านอธิบายไว้อย่างไรท่านอธิบายไว้ว่ากรรมนั้นใดของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วดับไปเป็นกรรมเก่าเป็นอดีตการ ย, ออย่อมยังไม่สิ้นไปเพราะสามารถนำมาซึ่งปฏิสนธิเพราะละกินเนหะคือตันหายังไม่ได้กรรมเก่านั้นของภิกษุขีณาศพเหล่าใดชื่อว่าสิ้นไปก็เพราะไม่สามารถให้วิบากต่อไปดุดพืชที่ไฟเผาแล้ว เพราะสิเนหะคือตัญหาเหือดแห้งไปด้วยพระอารหาัตมรริแลกกรรมใดของภิกษุขีณาศพเหล่าใดที่เป็นไปในปัจจุบันด้วยอำนาจพุทธบูชาเป็นต้นเรียกว่ากรรมใหม่ก็กรรมใหม่นั้นของภิกษุขีนาศพเหล่าใดก็ไม่ก่อพบได้เพราะไม่สามารถให้ผลต่อไปเหมือนดอกของต้นไม้ที่มีรากขาดแล้วเพราะละตันหาได้นั่นเอง ตันหนึ่งภิกษุคีณาศพเหล่าใดมีจิตนายแล้วในภพต่อไปเพราะละตัณหาได้นั่นแหละภิกษุขีณาศเหล่านั้นชื่อว่ามีพืชสิ้นแล้วเพราปฏิสนธิวิญญาณที่ท่านกล่าวไว้ในคํานี้ว่ากรรมคือนาวิญญาณคือพืชสิ้นไปเพราะสิ้นกรรมนั่นเองสันญาณแม้อันใดของความเกิดกล่าวคือพบใหม่ ได้มีมาแล้วแต่การก่อนภิกษุขีนาศพทั้งหลายชื่อว่ามีฉันทะไม่งอกเพราะไม่เกิดในเวลาจุติเหมือนแต่ก่อนเพราะฉันทะแม้อันนั้นละได้แล้วเพราะละสมุทัยนั่นเองชื่อว่าปราชเพราะถึงพร้อมด้วยทิฏฐิปัญญาย่อมดับเหมือนประทีปดวงนี้ดับไปฉะนั้นเพราะเจริมวิญญาณดับไป ย่อมล่วงทางแห่งบัญญัติเป็นต้นอย่างนี้ว่ามีรูปหรือไม่มีรูปอีกได้ยินว่าบรรดาประทีปหลายดวงที่เขาตามไว้เพื่อบูชาทเทวดาประจาเมืองในสมัยนั้นประทีปดวงหนึ่งดับไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงชี้ประทีปดวงนั้นจึงตรัสว่าเดชายมปฏีโปเหมือนประทีปดวงนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัสคุณคือการบรรลุอนุปาทิเสสนิพานของพระขีณาสพที่สดับปริยติธรรมที่ตรัรรส ด, ด้วยสองคาถาก่อนนั้นทั้งปฏิบัติตามแนวปริยติธรรมที่สดับแล้วบรรลุโลกุตระธรรมทั้ง9ก้าประการอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแหลเมื่อทรงประกอบสัจจวัจนะมีสังขารัตนเป็นที่ตั้งจึงทรงจบเทศนาว่า อีทำปิสังเคเป็นต้นความของสัจจวัชนนั้นพึงทราบตามนัยยะที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแหละแต่พึงประกอบความอย่างเดียวอย่างนี้ว่าคุณชาติกล่าวคือพระนิพพานของภิกษุขีณาศกโดยประการตามที่กล่าวมาแล้วแม้อันนี้ก็เป็นรัตนอันพระนีตในพระสงฆ์ พวกอาศมุษย์ในแสนโกศจักรวาลก็พากันยอมรับพุทธอาสยาแห่งพระคถานี้แหละจบเทศนาความสวัสดีก็ได้มีแก่ราชสกุลอุปัถวะทั้งปวงก็ระ ง, งับไปสัตว์แปด0มืนสี่พันก็ได้ตรัสรู้ธรรมพันนาสามคาถาว่ายานีทะเป็นต้น ครั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงพระดําริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยคุณพระรัตนไตรประกอบสัจวัจณะทรงทําความสวัสดีแก่ชาวนครแม้ตัวเราก็พึงกล่าวบางอย่างอาศัยคุณพระรัตนไตรัยเพื่อความสวัสดีแก่ชาวนครดังนี้แล้วจึงตรัสสามคาถาท้ายว่ายานีทะกุตาณิเป็นต้น ในสารคถานั้นเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างที่คนทั้งหลายต้องขวนขวายพากันมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเพราะเสด็จไปอย่างที่คนเหล่านั้นจะพึงไปเพราะทรงรู้ทั่วอย่างที่คนเหล่านั้นจะพึงรู้ทั่วเพราะทรงรู้อย่างที่คนเหล่านั้นจะพึงรู้เพราะทรงประสบสิ่งที่มีที่เป็นอย่างนั้นอันหนึ่ง เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชายอย่างเลิศเกินโดยดอกไม้และของหอมเป็นต้นที่เกิดภายนอกเป็นอุปกรณ์และที่เกิดในตนมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นต้นฉะนั้นท้าวสกกะเทวราชทรงประมวลเทวบริษัททั้งหมดกับพระองค์แล้าตรัสว่าตถาคตังเทวนุสสะปูชิตัง พุทธังนมามัสสามะสุวัติโหตุพวกเรานอบน้อมพระตถาคตพุทธเจ้าผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีอันหนึ่งเพราะเหตุที่ในพระธรรมมักคธรรมดำเนินไปแล้วอย่างที่พึงดำเนินไปด้วยการถอนฝ่ายกิเลสด้วยกำลังสมถวิปัสสนาซึ่งเป็นธรรมะคู่กัน แม้นิพณานธรรมอันพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงบรรลุแล้วอย่างที่ทรงบรรลุคือแทงตลอดแล้วด้วยปัญญาพร้อมที่จะกําจัดทุกทั้งปวงฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าตถาคตอันหนึ่งเพราะเหตุที่แม้ประสงค์ดำเนินไปแล้วอย่างที่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนพึงดาเนินไปโดยมักนั้นๆเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าตถาคต ฉะนั้นแม้ในสองคาถาที่เหลือเท้าสักกะเทวราชจึงตรัสว่าพวกเรานอบน้อมตถาค ต, ตธรรมขอความสวัสดีจงมีพวกเรานอบน้อมตถาคตสงขอความสวัสดีจงมีดังนี้คำที่เหลือมีนัยยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นท้าสักกะเทวราชครั้นตรัสสามคาถาอย่างนี้แล้วทรงทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้า สเสด็จ ก, กลับสู่เทวบุรีพร้อมด้วยเทวะบริษัทส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงรัตนะสูตรนั้นนั่นแหลแม้ในวันที่สองสัตว์แปด0มื่นสพันก็ได้ตรัสรู้ธรรมทรงแสดงอย่างนี้จนถึงวันที่เจ็ดการตรัสรู้ธรรมก็ได้มีอย่างนั้นนั่นแหละทุกๆวันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงเวสาลีกึ่งเดือนแล้ว จึงส่งแจ้งแก่พวกเจ้าลิชวีว่าจะกลับตอนนั้นพวกเจ้าลิชวีก็นําเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสู่ฝั่งแม่น้ําคงคาด้วยสักการะเป็นทวีคูณอีกสามวันเหล่าพญานาคที่บังเกิดอยู่ณนะแม่น้ําคงคาคิดกันว่าพวกมนุษย์ทําศักการะแก่พระตถาคตกันพวกเราจะไม่ทํากันบ้างหรือจึงสร้างเรือหลายลําล้วนทําด้วยทองเงินและแก้วมณี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 เข้าไปอย่างพิภพนาคข่าวว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่นาคบริสัทธ์ตลอดคืนยันรุ่งวันที่สองพวกพญานาคพากันถวายมหาทานด้วยของเคี้ยวของฉันอันเป็นทิพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าทารงอนุโมทนาแล้วเสด็จออกจากพิภพนาค พวกภูมิมะเทวดาพากันคิดว่าพวกมนุษย์และนาคพากันทำส ก, การะแก่พระตถาคตพวกเราจะไม่ทำกันบ้างหรือจึงช่วยกันยกชัดใหญ่น้อยเหนือพุ่มไม้งามในปา่าต้นไม้และภูเขาโดยอุบายนั้นนั่นแหละส ก, การะวิเศษขนาดใหญ่ก็บังเกิดตราบถึงพบของอากานิทะพรมแม้พระเจ้าพิมพิสารก็ได้ทรงทาเป็นทวีคูณ กว่าสการะที่พวกเจ้าฤาชวีทรงทําครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาทรงนําเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าห้าวันจึงมาถึงกรุงราชครืดโดยในยะที่กล่าวมาก่อนแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงราชครืดแล้วภายหลังฉันอาหารพวกภิกษุที่นั่งประชุมกันณสาร า, าทรงกลมพูดในระหว่างกันอย่างนี้ว่า อนุภาพของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าที่ภูมิภาคแปดยอดทั้งฝั่งในทั้งฝั่งนอกแห่งแม่น้ําคงคาถูกเจาะจงปรับที่ลุ่มที่ดอนให้เรียบและโรยทรายปกคลุมด้วยดอกไม้ทั้งหลายแม่น้ําคงคาประมาณโยอหนึ่งก็ถูกปกคลุมด้วยบัวสีต่างๆชัดใหญ่น้อยถูกยกขึ้นตราบถึงพบของอากาศนิทะพรม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นแล้วออกจากพระคันธกุดีสเสด็จไปยังศาลาทรงกลมด้วยปาฏิหาริย์ที่เหมาะแก่ขณะนั้นประทับนั่งเหนือพุทธอาอัตอันประเสริฐที่เขาจัดไว้ณศนะาลาทรงกลมครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกี้พวกเธอนั่งประชุมพูดกันด้วยเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบูชาวิเศษนี้มิได้บังเกิดเพราะพุทธานุภาพของเราทั้งมิใช่เพราะานุภาพของนาคเทวดาและพรหมที่แท้บังเกิดเพราะานุภาพของการบริจาคเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนตังหาก พวกภิกษุจึงกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์พูดเจริญพวกข้าพระองค์ไม่รู้จักการบริจาคเล็กๆน้อยๆนั้นสาทุกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสบอกพวกข้าพระองค์อย่างที่พวกข้าพระองค์จะรู้จักการบริจาคเล็กๆน้อยๆนั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงตักกศิลา มีพรามผู้หนึ่งชื่อสังขะเขามีบุตรชื่อสุสีมะมานบมานบนั้นอายุสิบหกปีโดยวัยวันหนึ่งเข้าไปหาบิดากราบและยืนณที่สมควรส่วนหนึ่งบิดาถามเขาว่าอะไรพ่อสุสีมะเขาตอบว่าลูกอยากไปกรุงพารณสีเรียนศิลปะจากท่านพ่อพรามกล่าวว่าพ่อสุสีมะถ้าอย่างนั้น พ่อมีสหายเป็นพราหมณ์ชื่อโน้นพอจงไปหาเขาเล่าเรียนเถิดแล้วมอบทรัพย์ให้พันกหาปณะนะสุสีมามานพนั้นรับทรัพย์แล้วก็กราบมาดาบิดาเดินทางไปกรุงพารณสีโดยลำดับเข้าไปหาอาจารย์โดยวิธีประกอบด้วยความละเมียดละไมกราบแล้วรายงานตัวอาจารย์รู้ว่าเป็นลูกของสหายก็รับมานพไว้ ได้ทำการต้อนรับอย่างดีทุกอย่างมานบนั้นคลายความเมื่อยล้าในการเดินทางไกลแล้วก็วางกระหาปะนะนั้นแทบเท้าอาจารย์ขอโอกาสเรียนศิลปะอาจารย์ก็เปิดโอกาสให้เล่าเรียนเขาเรียนได้เร็วและเรียนได้มากทั้งทรงจำศิลปะที่รับไว้รับไว้ได้ไม่เสื่อมสูญเหมือนน้ำมันที่ใส่ลงในภาชนะทอง เขาเรียนศิลปะที่ควรจะเรียนถึงสิบสองปีให้เสร็จสับได้โดยสองสาเดือนเท่านั้นเขาทำการสาธยายเห็นแต่เบื้องต้นและเบื้องกลางเท่านั้นไม่เห็นเบื้องปลายจึงเข้าไปหาอาจารย์ถามว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเห็นแต่เบื้องต้นและเบื้องกลางของศิลปะนี้เท่านั้นไม่เห็นเบื้องปลายเลยอาจารย์ก็กล่าวว่าเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันล่ะพ่อเอ้ยเขาจึงถามว่า ท่านอาจารย์เมื่อเป็นดนังนั้นใครเล่ารู้เบื้องปลายของศิลปะนี้อาจารย์กล่าวว่าพ่อเอ๋ยที่ป่าอิสิ ป, ปัตนนะมีฤาษีหลายองค์ฤาษีเหล่านั้นคงรู้เขาบอกว่าอาจารย์ข้าพเจ้าจะเข้าไปถามฤาษีเหล่านั้นเองอาจารย์ก็บอกว่าไปตามสบายเถิดพ่อเอ๋ยเขาก็ไปอย่างป่าอิสิ ป, ปัตนนะ เข้าไปหาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายถามว่าท่านผู้เจริญท่านรู้เบื้องปลายศิลปะบ้างไหมพระปัจเจกกับพุทธเจ้ากล่าวว่าเรารู้สิท่านเขาจึงอ้อนวอนว่าโปรดให้ข้าพเจ้าศึกษาเบื้องปลายศิลปะนั้นเถิดพระปัจเจกกับพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็บวชสิท่านผู้ไม่ใช่นักบวชศึกษาไม่ได้หรอกเขารับคำว่า ดีละเจ้าค่าโปรดให้ข้าพเจ้าบวชเถิดท่านจงทำแต่ที่ท่านปรารถนาแล้วให้ข้าพเจ้าศึกษาเบื้องปลายศิลปะก็แล้วกันพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นให้เขาบวชแล้วก็ไม่สามารถประกอบเข้าไว้ในกรรมฐานให้ศึกษาได้แต่อภิสมาจารย์โดยในยะเป็นต้นว่าท่านพึงนุ่งอย่างนี้พึงโห่มอย่างนี้เขาศึกษาอยู่ในข้อนั้น แต่เพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยไม่นานนักก็ตรัสรู้ปัจเจกับโพธิญาณท่านสุสีมะถึงลาบยศอันเลิศพังพร้อมทั้งบริวารก็ปรากฏไปทั่วกรุงพารณสีว่าเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไม่นานนักท่านก็ปริณิพานเพราะทากรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นไว พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและหมู่มหาชนช่วยกันทําชาปนากิจสรีระของท่านเก็บธาตุสร้างพระสถูปไว้ใกล้ประตูพระนครฝ่ายสังคปรามคิดว่าลูกของเราไปตั้งนานแล้วยังไม่รู้ข่าวคราวของเขาเลยประสงค์จะพบบุตรจึงออกจากตักกศิลาเดินทางไปตามลำดับก็ถึงกรุงพารณสีเห็นหมู่มหาชนประชุมกัน คิดว่าในหมู่ชนเป็นอันมาสักคนหนึ่งคงรู้จักข่าวคราวลูกของเราแน่แท้จึงเข้าไปที่กลุ่มชนถามว่ามานพเชื่อสุสีมามาในที่นี่มีไหมท่านรู้ข่าวคราวของเขาบ้างหรือหนอชนเหล่านั้นกล่าวว่ารามพวกเรารู้ท่านเรียนจบใรเพศในสำนักรามในพระนครนี้แล้วบวชในสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ปริญิพานโดยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุแล้วเนี่ยระสถุปเราสร้างไว้สำหรับท่านสังคพรามนั้นเอามือทุบแผ่นดินรําให้รําพันไปยังลานเจดีนั้นถอนหญ้าแล้วเอาผ้าห่มห่อทรายนำไปเกลี่ยที่ลานเจดีพระปัจเจกพุทธเจ้าเอาน้ำในคนโทน้ำประพรมทำการบูชาด้วยดอกไม้ป่าเอาผ้าห่มยกขึ้นทาเป็นธง ูกชัดคือร่มของตนไว้บนสถูกแล้วกลับไปพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงเรื่องอดีตอย่างนี้แล้วเมื่อทรงต่อเชื่อมชาดกนั้นกับปัจจุบันจึงตรัสธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะพึงมีความคิดว่าคนอื่นเป็นสังขพรามสมัยนั้นแน่แท้แต่พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนี้ สมัยนั้นเราเป็นสังฆพราหมณ์เราถอนหญ้าที่ลานเจดีของพระสุสีมะปะเจกพุทธเจ้าด้วยผลกรรมของเรานั้นชนทั้งหลายจึงทําทางแปดโยธให้ปราศจากตอและน้ําทําพื้นที่ให้ราเรียบสะอาดเราโรยทรายที่ลานเจดีพระสุสีมะปะเจกพุทธเจ้านั้นด้วยผลกรรมของเรานั้นชนทั้งหลายจึงโรยทรายที่หนทางแปดโยธ เราทำบูชาที่พระสถูปนั้นด้วยดอกไม้ป่าด้วยผลกรรมของเรานั้นชนทั้งหลายจึงได้ทำเครื่องลาดดอกไม้ด้วยดอกไม้ป่านาน า, นาชนิด